เป็นฟอนดานเดยวกัทุกคนไม่รู้รจักพุทธวชนะกัน <c oughs> พอสมควรหรือยังน ะ, ะหลายคนก็บอกว่ายังแต่ถ้าโยมยังเนี่ยแสดงว่าโยมยังไม่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเพราะว่านั่นคือโยมกําลังได้ข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานเพราะว่าคําที่ถูกต้องและไม่มีข้อผิดนั้น จะมีแต่คําตถาคตเท่านั้นนี่ข้อมูลที่ผิดในสังคมมีเยอะเราเคยเรียนกันมาผู้เจ้าแบ่งมนุษย์เป็นบวกีีเหล่าเนาะสีเหล่าคือคนตอบชัดเจนยืนยันว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง แต่ถ้าเราไปตรวจสอบดูผูเจ้าก็ตัดแก่แค่กีเหล่าสามเหล่าใช่ใช่ตัดแค่สามเหล่ า, าอยากดูตัวอย่างไหมอ่านะ ว่าจะได้หายสงสัยแลวจะได้เปลี่ยนตามพระศาสดาให้ตรงห้องประชุมนี้มีไม่เยอะนะจะได้ให้โอกาสในการซักถามเยอะๆหน่อยจัดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะพระศาสดาตรัสไว้กับราชุกุมารนะว่า เราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขกูแล้วนะได้เห็นสัตว์เนี่ยมีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมากบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างนะเปรียบเหมือนหนองบูอุบลบูบูปทุมบูปุนต ร, ริดอก บ, บูบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพะยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ํานี่พวกแรกพวกที่สองบางเหล่าเกิดแล้วใน น, ใน้ําเจริญในน้ําอันน้ำประยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ํานี่พวกที่สอง พวกที่สามโผล่ขึ้นพ้นน้ำอั น, น้ำไม่ถูกแล้วมีสันดราชุก ม, มานเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันชันนะั้นเห็นไห ม, มผิดมาตั้งแต่เด็กนะปิดตั้งแต่กระทรวงศึกษาเรียนมากระทรวงเดียวกันก็เลยตอบเหมือนกันหมดเลยน ะ, ะตรงแก่นะมันมีอีกเยอะมากเลยเยนะอ่า ถ้าถามพระมีสินกี่ข้อยมว่ามีสินกี่ข้อสองร้อ ย, ยิบเจ็ดไปดูจริงๆพระมีสินกี่ข้อนะจริงๆแล้วพระมีศินมากกว่าสองพันสี่ร้อยข้อนะนะสิลจะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกเรียกสัมปนาศีลานะกลุ่มที่สองเรียกว่าสัมปนาปฏิโมขาปฏิโมขาสังวรสังวุตากลุ่มที่สามเรียกว่าอาจารโคจรสัมปนา มีมากกว่าพันเก็พระเองก็ไม่เคยทราบพระสินตัวเองมีเท่าไหร่ก็ฟัง ต, ตามๆกันมาเหมือนกันครูอาจารย์พูดอย่างไรก็จํามาอย่างนั้นไม่เคยมีใครตรวจสอบน ะ, ะเวลาเราตรวจสอบเนะี่ยเราก็ไม่ได้ไปตรวจที่ไหนเราเพียงเราไปตรวจในข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ออกมาเปิดเผยก็คือพระไตรปิฎกที่เก่าที่สุดในโลกที่เป็นภาษาภาษาไทยอักษรสยาม เพราะนั้นไม่ต้องไปตรวจที่ไหนไกลเอาหลักฐานในประเทศไทยที่มีอยู่นี่แหละที่เก่าที่สุดออกมาเปิดเผยก็าบว่าโอ้โหไอที่จำมาผิดกันบานเลยนะเพราะไม่มีใครอยากจะตรวจสอบเนยะเรื่องพุทธศาสนาแล้วตรวจก็ตรวจยากและไม่มีหลักการในการตรวจสอบนะเวลาแก้กรรมทำยังไงอยงแก้กรรมนะทายังไงกันดีนอนในโรงไห แก้ได้ไหมไปสะดอกคล้ อ, อกแก้ได้ไหมคนก็สะดอกกันเยอะเหมือนกันนะได้ความสบายใจแต่กลายเป็นว่าสร้างเหตุผิดผู้เจ้าเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันอยากได้น้ำมันนะก็เอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางเอาเมล็ดทรายไม่ถิ่นไปเกลี่ยปะปรมน้ำเอามือคันเมล็ดทรายยอมว่าได้น้ามันไห ไม่ได้บุรุษอีกคนเอาเมล็ดงาไปเกลีย่ยลงในรางปะพรมน้ําเอามือคันเมล็ดงาบุรุษคนนี้ได้น้ํามันในเมื่อสร้างเหตุผิดโยมก็สบายใจคั้นไปแต่น้ํามันไม่ได้ผลไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าผู้ที่รู้ว่าสร้างเหตุนี้ได้ผลนี้ที่เก่งที่สุดคือตถาคตผู้อรันตัปสัมมาสัมพุทธะเราเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย รู้ทุกเรื่องจริงนะอ่าเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเชื่อว่าศรัทธาว่าพระศาสดาเนี่ยตัดสริรูจริงเป็นสัพันยูจริงบัญญัติได้ทุกอย่างนะเราก็จะวางคำคณอื่นทั้งหมดนะนี่เรียกว่าความเชื่อหรือความเลิ่มใสอันอย่างลงมัน่นแต่ผู้ที่ตามกว่าโสรบาลเนี่ยจะไม่อย่างลงมั่นหรอกพรพุทธเจ้าบอกจิตจะเบาเหมือนปุยนุ่น ลมพัดไปซ้ายก็ปลิวซ้ายลมพัดไปขวาก็ปลิวขวาใครสะกิดไปดูหมอก็ไปดูหน่อยใครสะกิดไปสะดอข้อฉันก็เอานะใครว่าเทพนั้นดีเจ้านี่ดีฉันก็ไปนะรถน้ำมนก็เอาอะไรก็เอาบางสกุลเป็นตายแต่พระเจ้าบอกสิ่งเหล่านี้แก้ไขไม่ได้วิธีเดียวในการแก้กรรมได้ไหนชาวพูดตอบให้ชื่นใจไห ชาพูดต่อให้ชื่นใจหน่อยซิว่าวิธีในการแก้กรรมทำอย่างไรนาะเนี่ยฮะข้างหลังว่าไงนะใช้กรรมไปใช้ใช้ยังไงอะใช้กรรมก็เหมือนมีดีก็ต้องใช้ดีอะค่ะนะมีกรรมกรรมที่สร้างเหตุอย่างไรก็ต้องใช้ใช้ยังไง ใช้ยังไงนะใช้ตามตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นเช่นอย่างไงปางถูกเ้าฆ่าไปฆ่าเขาก็ต้องถูกเ้าฆ่าอย่างนี้ล่ะหรนะอือยังไงนะงอยังงั้นก็คงต้องเอาโหัวสีอ๋อเอาโหสัวสีม า, มาใหม่ไล่คำเลย <c oughs> <c oughs> นะมันจะผิดกันเป็นกระบวนการเลยนะเอาโหัวสีพระเจ้าก็ไม่เคยตรัสไว้ว่าเป็นการให้อภัยหรือแก้กรรม ไม่เกี่ยวกันเลยเอาโหสิโดยพุทธวจนะคำพระตถ า, าคตไปว่าได้มีได้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับการการยกเลิกกรรมอะไรนะการให้ภยัยพระเจ้าจะใช้คำว่าอาภัยโดยตรงอภัยทานอเวลทานอ ภ, ย ภ, ย ภ, ย ภ, ยภยัยาประชาทานไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทอย่างนี้ดังนั้นวิธีเดียวในการแก้กรรมนะคือประพฤติปฏิบัติมักมีองค์พระองค์ไม่เคยตัดวิธีอื่นเลย พระองค์ตรัสว่าอริยะอัฏถังขีกมรคนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรทคามินีปฏิปทาปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมตรงๆเลย <c oughs> นะอริยะอริยะก็คือประเสริฐอัฏถังแปดมรคือหนทางหนทางแปดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะคือกรรมนิโรธคือดับปฏิปทาปฏิปทาถึงความดับกรรมนะ ก็คือตัวนี้กรรมมคือกรรมนิโรธคือดับปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมมรคแปดอันประเสริฐอย่างนี้ไม่มีวิธีอื่นนะทางชีวิตพระศาสดาตัดไว้แค่นีนะ้วิธีเดียวดังนั้นที่ไปดูหมอดูเลิกดูยามเปลี่ยนชื่อสะดอกครอบปลูกเสกเลิกยันเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนประตูบ้านเปลี่ยนปรับต้นไม้อะไรเนี่อันนี้ปรุงแต่งเองเหรอ ไม่ได้สะ ก, กิดผิวกรรมเลยกรรมเหมือนเดิมน ะ, ะเห็นไหมว่าเรากําลังสร้างเหตุผิดเพราะเราได้ข้อมูลผิดเราไปเอาข้อมูลจากผู้ที่ไม่ใช่สัพพัญญูไม่รู้เรื่องเป็นคนบอดไร้จักสุขไม่รู้ซึ่งอัฏฐะไม่รู้ซึ่งอนัตถนะนะดังนั้นคนที่สับเป็นสัพพัญญูก็มีผู้เดียวคือตถาคตอรันต์ตัสามาสัมพุทธะพระองค์บัญญัติเลยว่าเพราะความรู้โลกทั้งปวง นะอ่าพระองค์รู้เรื่องหมดพระองค์รู้แจ้งโลกนะประตูนครแห่งความไม่ตายเนี่ยพระองค์เปิดโล่งไว้แล้วเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงถิ่นันกันเกษมนะกระแสะแห่งมารผู้มีบากคือความตายเนี่ยพระองค์ได้กำจัดแล้วทําให้หมดพิสงจ์แล้วนะแล้วก็บอกวิสูจน์เนี่ยเป็นให้เป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปราถนาทําอันเกษมจากโยคะคือความไม่ตายนะศรัทธาตรงนี้ยเราต้องอยั่งลงมัน ดัง น, นั้นข้อมูลต่างๆที่ให้โยมมาเนี่ยถามว่าเป็นข้อมูลใหม่หรือเก่ายมว่าใครแต่งเนี่ยเนะ็กไม่ออกว่าใครแต่งเป็นคำภาษาสดาทั้งสิ้นนะข้อมูลที่ให้โยมดูเนี่ยมาจากข้อมูลตัวนี้คือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะ <c oughs> ซึ่งถูกทำขึ้นในปีสองสี่สรัชกาลที่หนิมนต์พระมาร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาช่วยกันแปลาจากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามนั้นนี่คือข้อมูลครั้งแรกในประเทศไทยที่เป็นภาษาไทยที่เป็นอักษรสยามอักษรไทยปัจจุบันพระร้อยกว่าลูกก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้า ก็ต้องไปลอกมาลอกมาจากอักษรขอมอักษรขอมใครทำไม่ใช่ขอมทำคนไทยทำาอกเหมือนกันถูกทาในปี2331ในในยุคราชการที่หนึ่งรอหนึ่งนิมนพระมา200อกว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระีสันเพชญคือวัดมหาธาตุยุวราชลังเสดิฐปัจจุบัน<ม>เพื่อมาทำอะไร<ม>เพื่อมานั่งลอกพระตรปิดกใหม่หมด เพราะอายุทยาถูกเผาเข้อมูลหมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> หลักฐานทางพุทธศาสนาไม่มีกอบกู้บ้านเมืองได้ก็เลยทำหลักฐานทางพุทธศาสนาใหม่นั่งลอกใหม่โดยยืมพระบิดกจากประเทศลาวกับประเทศรามันมาสองที่นะใช้เวลาทำอยู่หเดือนงานนี้ถึงเสร็จรอหนึ่งไปถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปณะใ น, ในตอนเย็นทุกวันตลอดเวลาหเดือน ดังนั้นพระไตรปิฎกตัวนี้อักษรของในไบลานเป็นต้นฉบับของตัวนี้ที่รอห้าเอามาทำและแปลเป็นอักษรไทยนะดังนั้นพระไตรปิฎกที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยสองสำนักใหญ่เนี่ยมหามังกรมหาจุฬ า, ามหามังกรเก้าสิบเอ็ด 91, เล่มมหาจุฬาสีิบห้าเล่ม น, นะสองสำนักใหญ่ตัวนี้เอามาจากตัวนี้นะให้รู้ที่มาที่ไปก่อน เวลาโยมไปวัดทั่วประเทศเนี่ยจะเจอสองสับนักเนี่ยนะให้รู้ว่าเขาลอกมาจากตัวนี้นะและตัวนี้นะลอกมาจากตัวนี้นะไปดูใบลานนะอันนี้คือลอกมาจากตัวนี้นะอะ่แต่นี้ตัวใบลานเอามาจากไหนเอามาจากลาวลาแมนใช่ไหมคือประเทศในแถบสวรณภูมิเนี่ยเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราช น, นะ ตัวเสาหินศบตรงนี้พระเจ้าศงอยู่ประมาณสองร้อปีหลังผู้เจ้าปณิธานนั้นยอมดูความผิดเพี้ยนในสองพันกว่าปีข้อมูลจริงมีอยู่แต่ข้อปฏิบัติและคำสอนผิดเพี้ยนไปจากเดิมหน้ามือเป็นหลังมือเหละสิ่งที่เรียกกันว่าเดราชานวิชากลับถูกนับว่าเป็นมงคลในปัจจุบันคืออะไรบ้าง การบนขอลาบผลต่อเทวดาการวงสูงการแก้บนการทําน้ํามนต์การทําทพิธีในที่ปลูกเกลือนนะการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดรเลาะพระศาสดาห้ามไม่หมดเลยนะแต่วันนี้เราบอกเป็นมงคลนะลองไปดูที่พระองค์ตัดไว้สัำนักศีลาสินสมบูรณ์ของพระเป็นอย่างไรนะพระไม่กล้ า, ามาพูดเพราะว่าเข้าตัวเยอะนะ คุเจ่าบอกว่าเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกที่ไม่ใช่ภิกษุเนี่ยเข้าฉานโพชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทํำในละฌานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทายในมิตรลำนีหลางห ล, ลายทํานายฝันทำนายชะตาทําพิธีหอมเปลญเบิกเว่นเวียนเทียนซัว์ปรยแกวโปรยลำโปรยเท้าสารพวกบูชาไฟอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมด จุดไฟบูชาพิธีเสกเป่าเป็นหมอปลุกเสกนะหมอผีหมอทํายันต์กันบ้านเรือนพิธีเสกเป่าการปลุกเสกระบาดในประเทศไทยเต็มไปหมดเลยแต่พระศาสดาบอกเดรลฉานวิชาแต่เราบอกเป็นมงคลนะเห็นไหมว่าความเชื่อมันกลับกันอยู่ทุกวันนี้กับข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะและพระองค์บอกว่าส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาด เว้นขาดเลยนะไม่มีการทำจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรลชานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งไปดูเรื่องการทำน้ำมนเวลาเราลดน้ำมนเราบอกโอ้สบายใจแต่พูะเจ้าบอกเดรลชานวิชาเห็นไหมว่าความเชื่อเราเนี่ยเราไปเชื่อคำสอนปริพาชคไปเสแล้วนะเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ไม่ใช่คาสอนศาสดาเรา เมื่อสมณะหรือพราม์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศ ร, รัท ธ, ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดก็ทําเดำในรชาเห็นวิชาเห็นปันนี้อยู่คือการบนขอรับผลต่อเทวดาการบวงสวงแก้บนสอนมนกันผีบ้านเรือนทําพิธีปลูกเรือนทําการบวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์การบูชาเพลิงนะเยอะมากแต่ภิกษุต้องเว้นขาดไม่มีใครก็ทํากันนะ เห็นไหมว่าปัจจุบันกับพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาต่างกันแค่ไหนน ะ, ะผิดตั้งแต่เรื่องของพิธีกรรมเรื่องของสมาธิเรื่องของเครื่องวัดอริบุคนไล่ผิดกันมาลูดยาวมาเลยยนนะและถ้าวันนี้เราไม่ศึกษาพุทธวจนะแล้วความถูกต้องอยู่ตรงไหนนะเราจะหาความถูกต้องไม่ได้นะแล้วเราก็จะทาผิด อย่างนี้ตามๆกันไปเรื่อยๆ เ, นะเราจะสอนลูกหลานเราผิดๆไปเรื่อยๆ เ, นะเราอยากได้น้ามันแต่ไปคันมเม็ดทรายไม่มีทางได้ยมเคยกรวดน้ากันมนะเคยแต่ผู้เช่าไม่เคยสอนนะไม่เคยสอนทั้งชีวิตนะและการอุทิศบุญกุศลพระศาสดาให้ทำอย่างไงพระองค์ให้ตั้งจิตตั้งจิตอย่างไงใครตอบได้บ้าง นไมไม่มีใครรู้คำสอนศาสดาตัวเองเห็นเราเป็นชาวพุทธแต่แตเปลี่ยนบ้านแน่นอน 100% ซนะูเจ้าให้ตั้งจิตปราศจากนิวร น, นะนิวรณ์หดูที่ตรัสกวตาเศษะบอก่าเศรษฐะเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณตั้ง5้าที่ตนละได้แล้วปราโมทย่อมเกิดปีติเกิดนะกายสงบประนับนะเธอนั้น ด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ที่ที่1 2ึ่าสแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาโยมต้องละนิวรณ์หก่อนพระองค์เปรียบเหมือนน้ําที่ไหลลงจากภูเขาตรงๆนะไม่มีซอกซอยซ้ายขวาจะเป็นน้ําที่มีกําลังตัวนิวรณ์ห้เนี่ยเปรียบเหมือนซอกซอยซ้ายขวาที่ดึงกําลังของน้ําทําให้น้ําไม่มีกําลังในเมื่อเราไม่ทราบเหตุปัจจัยหรือ รู้เหตุปัจจัยผิดดังนั้นการอุทิฏุิุญญสลของเราเท่ากับศูนย์เปล่านะเพราะจิตไม่มีกำลังนะโยงวิ่งหาน้ำหาแก้วแต่พู้เจ้าบอกต้องสงบอยู่นิ่งๆรู้ลหมหายใจเขาออกละนิบอนหา้าอาคุสลทั้งหลายใช่ไหมเราทำไปกันคนละเรื่องเลยเยวนะนี่ดูตั้งแต่ไล่ตั้งแต่พิธีกรรมขึ้นไปมาถึงการทำสมาธินะยมเคยได้ยินคานิกะสมาธิไหนะ อุปจารสมาธิเคยไหมอัปนาสมาธิเคยไหมผู้เจ้าไม่เคยสอนทั้งชีวิตเห็นไหมอ่าแล้วพระก็สอนกันเต็มเลยทราบไหมว่าผู้เจ้าสอนสมาธิมีอะไรบ้างไหนขอพูดถูกๆตรงๆผู้เจ้าสักคำหนึ่งมีอ่าปฐมฌานปฐมฌานทุตยิยฌานตุติยฌานจตุติฌานฌานหนึ่งสองสามสี่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะ อากินจำญาจตนะเนวะสัญญาณาสัญญาจตนะสัญญาเวทิตนิโลธ9ก้าคำเก้าระดับไม่มีอย่างอื่นเยอะนะเห็นไหมเราไปปรุงแต่งแล้วยังไปถามพระสิบรูปก็จะตอบคณิกะไม่เหมือนกันเพราะผูะพุทธเจ้าไม่เคยบัญญตัติจะตอบอุปจาระไม่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างพูดนะแต่ภิกษุเนี่ยเป็นอะไรเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคต สถานโคดพูดอย่างไรต้องพูดอย่างนั้นเป็นทายาทไม่ใช่พูดเองนะผู้เจ้าห้ามฟังผู้ที่พูดเองหรือสาวกที่ภาษิทธ์ขึ้นเองนะมีพสูตรยืนยันไหมมีนะพระองค์ตัดเองว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกากรมีอักษรสละดสลวยมีพยัญชนะอันวิ จ, จิตรเป็นเรื่องนอกแนว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 เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนี่ยนั้นพระตะถาคตเนี่ยห้ามฟังคําที่แต่งใหม่หรือคําสาวกที่ภาษิทธิ์ขึ้นเองแต่ให้ฟังคําตถาคตเพราะอะไรเพราะต ถ, ถาคตผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้บัญญัติธรรมและวินยัย เป็นสัพพัญญูผู้เดียวพระองค์ยังจัดความแตกต่างระหว่างพระลาหนทั่วไปกับพระลาหนประเภทพระพุทธเจ้านะชี้ให้เห็นเลยว่าพระราหาหนเนี่ยหลุดพ้นเนี่ยกับผู้เจ้าหลุดพ้นเนี่ยต่างกันยังไงพระองค์บอกพระองค์เนี่ยเป็นมครคัญยูรู้มรก่อนเป็นมครคัวิถูรู้แจ้งในมรตและเป็นมครคักรวิทูเป็นผู้ฉลาดในมรต ส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมักคานุคาผู้เดินตามเท่านั้นนี่แลเป็นความผิดแปกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อลันตสมมาสัมพุท ธ, ธะกับภิกษุทธผู้ปัญญาวิมุตติให้เธอหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยเธอก็แค่คนเดินตามไม่ได้ดูถูกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูถูกสาวกแต่รู้ขีดจํากัดของสาวกว่าเธอเป็นได้แค่นี้ ดังนั้นพระองค์จึงบัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจกสมาทานศึกษาในศิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนะอาตมาวันนี้จึงต้องมาประกาศพุทธวจนะ ประกาศคําตถาคตให้โยมได้ยินได้ฟังไม่ใช่ประกาศคําอาจารย์ ค, คลึกฤทธิ์อาจารย์ ค, คลึกฤทธิ์ไม่มีคําสอนและพระมีคําสอนเองไม่ได้นะพระไม่มีสิทธิ์มีคําสอนหน้าที่พระคือจําคํำพระเจ้ามาดังนั้นเวลาพระรูปใดพูดผิดพระเจ้าบอกให้รู้เถอว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยจำมาผิดไม่ได้พูดเองนะจํามาผิดน ะ, ะหลักมหาประเทศสี่นะดัดไว้ชัดเจนนะ เวลาใครพูดอะไรเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านโยมฟังอ อ, อุปจารสมาธิอ่ไม่รับรองไม่คัดค้านจําให้ดีนะเขาพูดอะไรอาตมาพูดปฐมฌานเขาพูดคณิกาสมาธิโยมอย่ารับรองอย่าคัดค้านคําอาตมาโยมอย่ารับรองอย่าคัดค้านคําของเขาเอามาตรวจซิว่าตรงกับคำตถาคตไหมนี่คือหลักมหาประเทศสี่ที่พระเจ้าวางไว้ พวกเธออย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านเธอกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วนำไปสอบสวนในสูตรนำไปเทียบเคียงในวินยัยถ้าลงกันได้ทเทียบเคียงกันได้พึงแน่ใจว่านั่นเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วภิกษุรูปนั้นจามาอย่างดีแล้วพวกเธอพึงรับเอาไว้ถ้าลงกันไม่ได้ทเทียบเคียงกันไม่ได้พึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่คาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุรูปนั้นจามาผิด นะพวกเธอพึงทิ้งคำเหล่านั้นเสียเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศทั้งสี่นี้ไว้นะว น, นั้นณวันนี้ข้อมูลมันตรวจได้อยู่และข้อมูลที่เป็นพุทธชนะตรงกันทั่วโลกล่าสุดเนี่ยเข้าไปเจอข้อมูลในถ้ำในอัฟกานิสถานเป็นเศษซากใบลานเล็กๆ เ, กเกยอะแยะไปหมดเลยเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยเขาอัญเชิญมาจากโนเวย์ให้พวกเรา ไปเคารพสักการะกันนะยมจะเห็นเศษซากใบาลาเนี่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะที่เขาถล่มทบลูกเศษจะเข้าไปเจอในถ้ำนักโบราณคดีก็เอามาเรียงต่อกันมันมีรอยเขียนเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างก็เอาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาเรียงต่อกันจนได้เป็นแผ่นใบาลานขึ้นมานักภาษาศาสตร์ทั่วโลกเข้าไปแปลมันแปลว่าอะไรเนาะนะปรากฏว่า พอแปลมาแล้วในทุกภาษาทั่วโลกในภาษาไทยตรงกันกับบาลีสยามรัฐข้อมูลเดียวกันเป็นคำสอนของอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกคนช่วยกันทรงจำเอาไว้นะหลักฐานนี้เก่าอยู่ประมาณปีคศ .6 คริสตศักราชที่6นะเก่าน้อยกว่าเสาวินทโศกนิดหนึ่งนะเป็นเรื่องของการสอนข้าพดีุตร ว่าข้าพฏดบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุลาและเมลยัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคาการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิการการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการคบมิดชั่วการประนันความเกลียค้านนี่อบายมุขหกเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กข้อมูลนี้เขาสอนมา2000กว่าปีรัฐถารมสอนมานานแล้วนะแล้วก็ช่วยจํามานานไม่ใช่ของใหม่ดังนั้นที่เราเรียนรู้เนี่ย อย่าไปเรียนรู้ของใหม่โยมเราเรียนรู้ความรู้ของสรรพันธ์อยู่เราอยากจะรู้ว่าของจริงคืออะไรใครจําผิดใครจําถูกเราจะได้ประพฤติป ฏ, ปฏิบัติหลุดพ้นได้จริงน ะ, ะไม่ใช่ได้ของปลอมไม่มีใครอยากได้ของปลอมหรอกมาคันธิยะนะเขาถูกลวงนะเป็นบุรุษตาบอดแต่กําเนิดอุจ้าเล่านะแล้วบุรุษคนหนึ่งก็บอกเขาว่า นี่มาคันธยะนี่คือผ้าขาวเนื้อดีนะเธอเอาไปหม่มซะมาคันธิยะก็โอ้โห่หมผ้าขาวเนื้อดีมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งหลายปีผ่านมานะหมอมาทําการผ่าตัดลูกตานะทําให้เขาตาดีขึ้นมาเขาก็เห็นว่าผ้าขาวที่เขาห่มอยู่เป็นผ้าเปื้อนฝุน่นเปื้อนขัเมาสกปกโสโค ร, ก, โรกมากนะครูเจ้าบอกมาคันธยะจะคิดยังไง แทบจะฆ่าบุรุษคนนั้นเลยที่มาลงเขาว่านี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีใช่หัหเราเชื่อมาตลอดเลยมีน้ำมีแก้วสำเร็จประโยชน์นกดน้ำกันเป็นร่ำเป็นสันใช่ไแต่ไม่สำเร็จใช่ไหเราคิดว่าการลดน้ำมนเป็นมงคลแต่ผู้เจ้าบอกเดลฉานวิชาและห้ามภิกษุษธ ร, รนะและพระอริยะไม่ทำแล้วในพระสูตรมหาจัตตารีสกังธรรมปริยาอย่างลองไปดูนะ พระอริยะผู้มีอนาสวัสิ้สินาสวัจะห่างไกลจากมิจฉาอาชีวะนะมิจฉาอาชีวะของวิสุิบ์บรรยายให้ไปแล้วว่ามีอะไรเยอะมากสิบกว่าหน้ากระดาษ A4 นะผู้เจ้าบรรยายและตรัสซ้ำกันถึงเก้าพศนะเยอะดัต่างสถานที่ต่างเวลาต่างบุคคลยงลองดูตัวนี้นี่จะเป็นตัวยืนยันได้ว่าผู้เป็นอริยะจะห่างไกลจากมิจฉาอาชีวะและจะไม่ทาแล้ว วิ้เจ้าตัดว่าอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะของพระอริยะฟันทงเลยนะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะอนาสวะคือสินอ้นอสวะเป็นโลกุตระนะเป็นองค์มรรคเป็นชะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะพระเนี่ยสอนมิจฉาอาชีวะบอกให้โยมห่างไกลแต่พระลืมสอนมิจฉาอาชีวะของตัวเอง ไม่รู้ว่ามิจาชีวะของภิกษุเป็นอย่างไรนะเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะนะเพราะฉะนั้นต้องเว้นนะอย่างพระสูตรเมื่อกี้ผู้เจ้าบอกเธอเว้นขาดนะอันเดียวกันเจตนามดเว้นต้องเว้นขาดของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้ผู้ไม่มีอาสวะจิตถ้าจิตเขาไม่มีอาสวะเนี่ยพรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค คือผู้ที่กำลังเจริญมรรคอยู่เนี่ยจเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหลสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสะวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเขาจะต้องไม่ประพฤติมิจฉาอาชีวะและดูต่อไปครูเจ้าเนี่ยตรัสละเอียดมากนะภ <c oughs> <c oughs> ิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเขาต้องพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเสีย เพื่อบรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะนิะษุนั้นมีสติและมิจฉาอาชีวะได้มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสตินี่คือธรรมที่จะแวดล้อมเขาด้วยอาการอย่างนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกที่ถูกต้อง ย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นนะดังนั้นถ้าพิสุ์เธอมีสัมมาอาชีวะเธอต้องละมิจฉาชีวะเธอต้องมีสติแยกแยะสติพระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตู ก, การคนร้ายไม่ให้เข้าเมืองรู้จักคนดีอนุญาตให้เข้าเมืองได้เธอต้องมีสติที่จะแยกแยะว่าอะไรคือสัมมาอะไรคือมิจฉาเธอต้องมีสัมม า, มม า, ม า, มมมาวายามะความเพียรที่จะละ มิจฉาว่ามิจฉาอาชีวะนั้นเสียนะแล ะ, จะเจริญซึ่งสัมมาอาชีวะนะและทิฏฐิของเขาก็ต้องเป็นทิฏฐิที่ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิน ะ, อะลองไปดูมิจฉาอาชีวะต้นๆถอยขึ้นไปต้นๆ น, นิดนึง่งมิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรนี่ดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะเป็นฉไหนการโกม การล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางที่ผิดการเอาลาบต่อลาบนี้เป็นมิจฉาอาชีวะการยอมมอบตนในทางที่ผิดนะเรายอมที่จะเอาตัวเองไปทำสิ่งที่ผิดนะเนี่ยเรียกว่าการยอมมอบตนในทางที่ผิดนะนะความเพียรสติที่จะไปทำมิจฉาอาชีวะนี่คือคําตรงๆของพระผู้มีพระภาคเจ้านะ ไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะพระองค์สิ้นกิเลสแล้วภิกษุทุกรูปต้องประพฤติตามทำตามวินัยที่ศาสดาบัญญัตินะฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันเอาแค่โสดาบันก่อนลองย้อนกลับไปดูโสดาบันเปรียบเทียบไปดูสักนิดหนึ่งพระโสดาบันฐานะที่เป็นไปไม่ได้คือไม่อาจอยู่อยา่างไม่มีความยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ ชื่อของโซดาบันอีกชื่อหนึ่งนะมีสิบกว่าชื่อนะอยู่ข้างหลังนี้ในหะนังสือทําไม่ให้นะมีหลายชื่อคือผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐินะหรือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อ่านอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศัสดาไม่อานอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความยำเกงรงเคารพยำเกรงในพระสงฆ์ ไม่อ่านอยู่อย่างไม่มีความเคารพยงเกรนในสิกขาสิ่งใดที่พระเจ้าบัญญัติแล้วเขาจะยำเกรงเขาจะเคารพดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่โสดาปันจะไปกระทำซึ่งมิชฉาอาชีวะนะเพราะนั้นโดยพุทธวจนะแล้วไม่ใช่ฐานะเลยนะเพราะนั้นอันนี้อาตมาให้โยมแยกถูกแยกผิดเอานะเราจะได้สอนลูกหลานได้ถูกต้องลูกหลานจะได้ไม่จำผิดเข้าใจผิด เะนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันห้อนอิกว่าไยยะรวมไว้ให้พวกเราแล้วนะเพื่อพวกเราจะได้ตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองเพราะถ้ายมแตะโสดาบันก็คือแตะพระราหันนั่นเองเกิดอีกไม่เกินเจชาติได้เป็นพระราหันนะคุณสมบัติของโสดาบันโสดาบันเป็นผู้มีธรรมันไม่ตกต่ำความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนะเพราะฉะนั้น แต่โสดาบันไดได้ก่อนตายนะมไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันนะเดนะ <laughs> ี๋ยวเสียชาติเกิดนะโยมนะแเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพในการบรรลุธรรมโยมนะอ่ะทีนี้ลองวกกลับไปดูมาหาจ า, ารีสกักกรรมธรรมปริยาอย่างอีกนิดหนึ่งเอาให้จบพสตรซะหน่อยนะ ว่ามิจฉาอาชีวะนั้นเป็นอะไรบ้างเอ่อเไปดูต่อว่าหลังจากทำสามอย่างแวดล้อมเธอเนะอ่าภูเจ้าบอกเลยว่าผู้ที่จเจริญสัมมาอาชีวะเนี่ยจะสลัดคืนซึ่งมิจฉาอาชีวะนะ <c oughs> ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ดังนั้นถ้าเขาจเจริญสัมมาอาชีวะอยู่เขาจะสลัดมิจฉาอาชีวะได้นะีดังนั้นคนสลัดสลัดไม่ได้หรือสลัดไม่ได้เนี่ยเขาเยื่อใยต่อใครอยู่เขาเยื่ อ, ย า, ย อ, ย า, ยอยายต่อวัตรละวัตรโกตุระมงคลของสนาภาพเหล่าอื่นหรือเขาจึงไม่ไม่ละเลิกใช่ไหมเขาเนี่ยต้องเคารพยำเก่งพระศัสดาในเมื่อพระศัสดาตําหนิว่าไม่ดี เป็นในรัชานวิชานะหลุดพ้นไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เขาต้องเชื่อผู้เจ้าแล้วแล้วเขาต้องทิ้งนะเขาจะมาเกรงใจบอกโอ้ยโยมขอนะนะต้องเกรงใจผู้เจ้าอันดับหนึ่งนะและต้องทำให้ค า, ารว์ที่ยังไม่เข้าใจนเกิดความเข้าใจนะเพราะสิ่งที่ค า, ารว์จะได้ตามมาคือมิจฉาทิ่ฐิว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีน้ำศักดิ์สิทธิ์บันดาลมีไฟศักดิ์สิทธิ์ มีวัตถุศักดิ์สิทธิ์บรรดาไหนเธอเป็นอะไรได้ให้เกิดความเป็นมงคลได้ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งที่พระโสดาบันจะต้องละได้โสดาบันจะต้องไม่เชื่อว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบรรดาลกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบรรดาลไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นและสี่ไม่ได้เกิดจากอลอยลอยโดยปราศจากสาเหตุสีความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนะ นั่นคุณสมบัติโสดาบันผู้เจ้าตรัสไว้ชัดเจนมากดังนั้นถ้าคนยังคิดว่ากรรมเกิดจากน้ําศักดิ์สิทธิ์ไฟศักดิ์สิทธิ์ตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ดวงดาวศักดิ์สิทธิ์บรรดาลเข้าใจผิดเขากําลังเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิและนําคนเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิด้วยนะมันเป็นอย่างนี้ผลเสียมันเป็นอย่างนี้จึงต้องมาบอกโยมให้โยมเนี่ยพิจารณาให้ใกล้คู่ควรให้รอบคอบซะก่อนนะตอนนี้ผู้เจ้าตรัสต่อไปอีกว่า นะจริงแล้วธรรมะตรงนี้ไม่มีใครคัดง้างได้และห้ามคัดง้างเรื่องของสมาชีวะตรงนี้ที่เรียกว่ามหาจัตตาริสกังธรรมะปริยายนะพระองค์บอกว่าทำนะบรรยายมหาจัตตาริสกะอันเราให้เป็นไปแล้วสมณนะหรือพรามหรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครบัญญัติตรงนี้หรอกนะมีพระเจ้าองค์เดียวนะและพระองค์ห้ามคัดค้านว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายสมณะหรือพรามผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านทำปริยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนการกล่าวตามกันใครกล่าวขึ้นมาก่อนใครกล่าวตามผู้กล่าวก่อนด้วยเหตุผลสิบประการตรงนี้นะย่อมถึงฐานะที่น่าตาหนิในปัจจุบันนั่นเทียว จะเป็นเหตุผลของสมณะหรือพราหมผู้ใดก็ตามนะถ้าใครติดเตียนสัมมาทิฏฐิเขาก็ต้องบูชาสันเสริญท่านสมณะพราหมผู้มีมิจฉาทิฏฐิไล่มักแปกไปหมดเลยดังนั้นใครติดเตียนสัมมาอาชีวะเขาก็ต้องไปบูชาพวกที่มีมิจฉาอาชีวะโอ้โหพุทธเจ้าฟันธงนะเพราะนั้นทำปริยายนี้พอพูดไปแล้วเนี่ยโอ้โหกระเทือนกันโดยทั่วหน้านะแต่จริงๆเป็นะนะนะ จกเป็นความเจริญของศาสนาต่อไปพระมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ตรงดังนั้นอาตมามีตัวอย่างพระที่ปรับเปลี่ยนนะเยอะแยะตอนนี้พอพระฟังอาตมาแล้วเริ่มเปลี่ยนตัวเองแนละเลิกทาทุกอย่างแล้วนะก็จะมีเช่นเจ้าวาดวัดปากคาดที่จังหวัดบึงกาฬเป็นรลองเจ้ากระอำเภอ30กว่าบรรษาแล้วนะปรับระบบในวัดใหม่หมดเลย นี่อาตอมาต้องการหัวเปลี่ยนนะถ้าหัวเปลี่ยนหางเปลี่ยนหมดพรึบเลยนะท่านก็นําพานะท่านก็ใช้พุทธวจนสถาบัญ น, นะศูนย์เผยแผ่พุทธวจนอำเภอปากคาจังหวัดบึงกาฬวัดปากคาดนะก็เปลี่ยนหมดจากฉันสองมือมาเหลือฉันมือเดียวฉันในปาดนะเพราะจริงๆริงเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติให้พิสูจน์ฉันมือเดียวมือสองไม่มีไม่เคยบัญญัติเรื่องฉันเพลิ น, นะแม้ในยุคราชการที่หนึ่งที่ พระองค์เนี่ยทำพระตะปิโดกก็ไม่เคยหลุดไปถวายอาหารเพนเลยมีถวายอาหารเช้ากับถวายน้ำปนานาในตอนเย็นแค่นั้นเองนะไม่รู้มื้อเพนเนี่ยมาจากไหนนะแต่ไม่มีในพุทธวจนะนะนี่คื อ, อประธานสมที่นั่นและท่านก็ก็สอนโดยขึ้นพระสูตรน ะ, ะเหมือนอย่างที่ที่เราทําให้นะและท่านก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะสังสมสุตต่างๆ เ <c oughs> จ้าวาดวัดป่าบ้านพันลามที่บึงการอีกเช่นกันปรับใหม่หมดนะแล้วก็ขอหนังสือที่วัดเราเนี่ยไปแจกในการปฏิบัติธรรมในวัดของท่านนะท่านก็ฝึกพวกข้าราชการนะตนนั้นพวกรองพูว่าไหลาพาข้าราชการมาท่านก็ขอหนังสือจากทางเราในพุทธวชนะไปแจกนะต้องแจกข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ละอายแล้วไม่กล้าแจกข้อมูลผิดหนังสือสาวกแจกไม่ได้แล้วไม่กล้าแจกแล้วนะต้องแจกพุทธปรชนะพอรู้แล้วว่าสาวกเนี่ยมีคําพูดผิดอยู่ในนั้นและไม่รู้ว่าคนอ่านคนฟังเนี่ยจะไปเสดข้อมูลผิดเมื่อไหร่ตรงไหนนะเจ้าคณะอําเภอที่จังหวัดตรังนะปรับใหม่หมดนะนะนะติดป้ายในวัดด้วยนะเนื้อแท้ที่ย์อไม่อันตรธานนะพุทธวรชนะ นี่คือเจ้าหน้าาเพอที่จังหวัดตรังนะถือหนังสืออินทรสังวรของตอมานี่อ่านเลยสอนเลยสอนญาติโยมโดยพุทธพจะะนะไม่สอนเองละเลิกพูดเองหยุดปรุงแต่งนะต้องสอนจากการทรงจำคำตถาคตแล้วก็ปล่อยออกไปนะที่วัดท่านก็ติดป้ายใหญ่ๆนะเนื้อแท้ที่ไม่อันตรทานนะนสุตตัตะเราใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งนะ พระสูตรที่อรตมาอ่านให้โยมฟังเมื่อสักครู่นี้นะเราขึ้นพระสูตรเพิ่มเติมสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยที่มีธุลีในดวงตาเล็กน้อยก็ยังมีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่นะเชื่อมั่นว่าคนที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตต้องรู้เรื่องนะมีรูปหนึ่งท่านนาลงชัยนะ ท่านนารงชัยอยู่ที่สวีเดนนะพระ1 8แปดสิพรรษาแบวชมาอยากฆ่าตัวตายนะก็โอยไม่รู้จะทำยังไงเสิร์ชในเว็บเจพพุทธวชนะอัตมาบรรยายก็เลยพลิกชีวิตได้นะแล้วก็บอกสอนพระลูปอื่นต่อไปในสวีเดนลูกต่อมาที่ในสวีเดนที่ปรับเปลี่ยนก็คือเจ้าวาดวัดดาลานาวัอาลามนะท่านอาจารย์เอกพล พันเตเอกพลคือรูปนี้นี่อาจารย์อวิสวรณรมชัยนะนั้น <c oughs> พันเตเอกพลปรับวัดของท่านใหม่หมดนะองดูที่ท่านเมลมานะเมลมาให้อตมาได้ทราบท่านบอกท่านเลิกต้องเลิกหมดทุกอย่างนะอืม ลองอให้ก็ดูภาพที่วัดดลลาราซึ่งเป็นวัดที่น่าจะใหญ่ที่สุดในสวีเดนนะท่านก็ต้องการให้เป็นศูนย์กลางเผยแผ่ในยุโรปนะพุทธวัจนะต่อไปอย่างนี้นะ <c oughs> ท่านส่งเมลมาให้ตามาบอกว่าเรียนท่านพระาอาจารย์คริสที่นับถือยิ่งผมจะเดินทางกลับไทยวันที่15ทธันวานนี้นะท่านเพิ่งมาแล้วก็ เพื่อจะไปดูแลโยมพ่อที่กำลังป่วยหนักอายุ87นะและจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดศรีสะเกดนะนี่บุคคลมา ก, กันมาเลยนะมาจากปฏิบัติธรรมและก็ฟังธรรมข้ามวันเสาร์เนี่ยเชื่อมกาตมาที่ประเทศไทยแล้วก็พาพระแล้วก็ญาติโยมเนี่ยมานั่งสมาธิกันนะท่านก็ส่งภาพมาทางเมลเราก็เลยขึ้นให้นะนะเดี๋ยวจะเชื่อมไปที่ฝั่งลาวด้วยประเทศลาวเขาทาอย่างนี้นะเราปฏิบัติพร้อมกันทั่วโลกเลยนะ อท่านบอกว่า <c oughs> โดยเมื่อลงเครื่องแล้วจะต่อไปยังศรีสะเกตนะคงจะนําพุทธวจนะไปให้โยมพ่อโยมแม่ได้รู้จักปฏิบัติก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านอันเป็นการตอบแทนคุณท่านให้สมบูรณ์อย่างน้อยให้ท่านได้รู้จักพุทธวจนะของแท้และปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการไปสู่อบัยนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตั้งผมตั้งใจว่าจะเอาโอกาสไปที่วัดนาป่าพง เพื่อพบท่านอาจารย์สักครั้งหนึ่งนะะท่านก็บอกว่าขอความอนุเคราะห์หนังสือพุทธศานะเล่มต่างๆเพื่อนํามาแจกเป็นธรรมทานแก่สมาชิกที่อยู่ในยุโรปและจะขออาสาเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พุทธวจนะในยุโรปหากที่อื่นๆยังไม่พร้อมไม่มีที่รองรับได้นะกำหนดเดินทางกลับสวีเดนจะประมาณกลางเดือนมกราคม2556นะและท่านก็บอกว่าท่านได้โหลดหนังสือของอาตมาเนี่ย ที่ทำไว้ในเว็บไซต์นะ <c oughs> <c oughs> เพื่อไว้สาธยายประจําวัดแทนหนังสือสวดมนต์และทําวัดแบบเดิ ม, ด ม, ดมๆที่เคยทําซึ่งต่อไปคงจะลิกทิ้งไปทั้งหมดต่อไปนี้จะให้พระและญาติโยมสวดแต่หนังสือสาธยายทำนะตัวนี้ที่อาตมาทําไว้ให้นะหนังสือสาทยายทำในะตัวนี้นะนะแทนการมาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและ มนอื่น ๆ, ๆที่เคยทำแต่ที่จะมาขอแจกแก่สมาชิกในช่วงนี้คงยังต้องขอความอนุโลห์จากท่านอาจารย์เพื่อมากระจายแก่สมาชิกในยุโรปซึ่งถ้าเอามารวมไว้ที่นี่แล้วค่อยกระจายนะ่ะอาจประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าส่งตรงจากเมืองไทยนะและสมาชิกทางอังกฤษก็รอความหวังจากกรมอยู่นะและในโอกาสข้างหน้าเนี่ยจะหาทางว่าจะพิมพ์ที่โรงพิมพ์ที่ในสวีเดนนะ <c oughs> ท่านบอกว่าขอเล่ากิจกรรมที่ได้ทำเมื่อวันเสาร์ที่8ธันวาที่ผ่านมาได้รับผิดนิมนต์ไปกลุ่มสตอกโคงเพื่อทำบุญตักบาตรตามที่เคยทำแต่ผมได้ลงทุนเอาโน้ตปุ๊กและโปรเจคเตอร์ไปด้วยในงานมีคนไม่มากประมาณ10คนมีฝรั่งมาร่วมด้วยก็ทำพิธีการทำพิธีก็ได้เปลี่ยนไปโดยไม่มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์นะแต่ใช้การสาธยายทาแทนให้อนุโมธนาด้วยบทอายุโธบทเดียว ไม่มีการกรวดน้ำแต่ให้นั่งเจริญอาณาปานสติละนิวรนาแล้วแผ่เมตตาอุทิปปุณกุศลแทนท่านเปลี่ยนใหม่หมดเลยน ะ, ะ <c oughs> คือบทอายุโทที่ท่านสวดเนี่ยบทที่พระสวดอนุโมทนาที่โยมเคยได้ยินยะถาวะลิวหามาั้ยนี่แต่งขึ้นนะอาตมาเองก็เคยใช้มาเป็นสิบปีเดี๋ยวนี้ก็เลิกแล้ะ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 แล้วก็บอกว่าความรู้สึกญาติโยมก็ให้ความสนใจแต่ยังงงๆและยังติดประเพณีเดิมโดยเฉพาะอยากให้ทำน้ำมํมนต์และทำพิธีกรวดน้ำแจกของดีนะ <c oughs> แต่ท่านบอกท่านจะเลิกและไม่เอาเหมือนที่เคยทำทํามาแต่ผมก็ทำไม่ได้นะแต่ผมก็ไม่ได้ทำตามนั้นเรียกได้ว่าปฏิวัติใหม่เลยทีเดียว เพราะผมคงลำบากใจที่จะทำอะไรที่พระศาสดาไม่ได้อนุญาตไว้นะเพราะท่านก็ศึกษามาเหมือนกันนะท่านก็บวชมาประมาณ26ปีแล้วนะและคงกลับและคงจะกลับไปทำผิดตามเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคงต้องละสิ่งเก่าเริ่มการปฏิบัติต่างๆใหม่หมดอะไรที่ไม่ถูกต้องคงต้องละเลิกและนำพาญาติโยม ไปในทางที่ถูกต้องเพื่อกันไม่ให้ไปสู่อาบายอาตมาอ่านจดหมายท่านก็ซึ้งใจเลยนะอโอ้โหท่านท่านกลา้าพอสมควรเลยนะหากจะมีผู้ไม่เข้าใจไม่ยอมรับหรือไม่พอใจหรืออันตี้ไม่ทำบุญด้วยผมก็คงต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่จะไม่หวั่นไหวเกรงใจแล้วกลับไปทำผิดแบบเดิมได้อีกงานหนัก ต่อไปนี้คือการชี้แจงอธิบายวิธีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพุทธวจนะซึ่งประชาชนชาวพุทธไทยที่นี่ยังติดยึดกับธรรมเนียมและประเพณีนะ <c oughs> ปฏิบัติดั้งเดิมต่างจากฝรั่งที่ไม่มีของเดิมและพร้อมจะรับสิ่งใหม่ที่เป็นของจริงแทนะ้แต่หน้าที่พระธรรมทูตคือท่านเป็นพระธรรมทูตด้วย คือผู้เผยแผ่คําสอนของพระศาสดาหากนําประชาชนไปในทางที่ผิดก็เท่ากับทําลายพระศาสนาของพระบรมศา ส, สดาเสียเองด้านการปฏิบัติเนื่องจากเคยเรียนปริญญาพอมีความรู้บาลีมาบ้างจบปอทอสีท่านจบปเปลียนธรรมสีไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้เลยนะก็พอจะเข้าใจหลักและสัพท์เรียกต่างๆและเคยปฏิบัติแนวอื่นมาบ้างแต่สเปสป่าแต่พอปฏิบัติทางนี้การละนันที ละอารมณ์อันเกิดจากขันทั้ง5ทําได้เร็วรู้สึกว่าปัจจุบันเหมือนเราเป็นไทยแก่ตัวเองแต่ก็ต้องศึกษาและปฏิบัติต่อไปให้ชานาญเพื่อยกระดับให้ละเอียดสูงขึ้นหากติดข้องประการใดโอกาสน่าจะถามท่านพระอาจารย์อีกเรื่อยๆหนึ่งๆสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์และหวังว่าจะได้พบที่เมืองไทยและขอปรารถนาร่วมปฏิบัติและเผยแผ่พุทวัจนะเท่ากําลังสติปัญญาและความสามารถที่จะทําได้ ตราบชีวิตอาไม่นะด้วยความนับถือยิ่งพระครูประหลัเอกพลพระปะัญโยนะอ่าั่นก็อนุโมทันกันด้วยก็เลยขอประกาศความดีของท่านให้กับญาติโยมได้ฟังด้วยนะอ่าแว่าอ่านแล้วก็รู้สึกทราบซึ้งใจเป็นกันนะอ่าแล้วก็เข้าใจในความตั้งใจดีของท่านนะก็จะมีคลิปเอ่อโทรศัพท์ที่ อัดเสียงนะของท่านอาจารย์นลลงชัยไว้ด้วยยมไปเปิดฟังดูในเว็บเอาละกันนะเอาขึ้นไว้บดูด้วยนะก็ยาวประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันแต่ท่านพูดดีมากนะอ่านะซึ่งท่านก็บอกท่านจะละเลิกหมดเหมือนกันนะอ่านะเราก็จะมีตัวอย่างอย่างเงี้ยยมอีกจำนวนมากขึ้ น, นเรื่อยเรื่อยแล้วก็มีพระอีก26วัด <c oughs> ที่ฟังอัตมาบรรยายที่สุริน เรามาไปบรรยายที่สุรินพระฟังเจ็ดรอยลูกนะแล้วก็ไป <c oughs> ไปบรรยายที่อันนี้ที่สุรินนะแล้วก็บรรยายที่บุรีลำนะพระอีกสี่รอยลูกแล้วก็ที่ถ้าดาวเขาแก้วนะพระอีกสี่รอนะ <c oughs> หลังจากบรรยายสามสีที่นี้แล้วเนี่ยก็มีพระตามมายี่บวัน มาฝึกที่วัดอาตมาเราก็ฝึกให้ท่านสัตว์ย้อมจีวรดูแลบริหารตัวเองก่อนนะจีวรต้องย้อมด้วยน้ําฝาดแค่ยอมเปลี่ยนอย่างเดียวนะเรื่องจีวรเนี่ยนะสีจีวรพระจะเหมือนกันทั่วประเทศนะอันนี้ไม่ใช่สีที่อาตมาอยากได้แต่เป็นสีที่ทําตามกรรมวิธีผู้เจ้าบัญญัติคือย้อมด้วยน้ําฝาดน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบ ไ, ไม้อันนี้ได้จากเปลือกบางคุดกับแก่นขนุน นะก็จะออกมาสีนี้อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่จะกลืนๆกันทั้งหมดนะออกด้านๆออกโทนน้ำตาลนะซึ่งถ้าโดนแดดย้อมทับซ้ำๆมันก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นหรื อ, รอย้อมด้วยดินก็ได้นะดินที่แถวชัยภูมิเนี่ยย้อมแล้วออกมาสีนี้เลยนะก็จะมีพระนี่ที่ย้อมดินซึ่งพระเจ้าจะบัญญัติไว้ในสิกขาบทนะอันหนึ่งภิกษุใดได้จีวรมาใหม่ พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวคราำก็ได้ตมก็ได้ของดําคล้ำก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสมอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่จะถูกปราบปติปราจิตทนะีนั่นพระคุณจะรับจีวรมาแบบไหนก็ตามต้องเอามาย้อมในน้ำฟ้านะและจีวรพระจะสีเหมือนกันทั่วโลกเลยนะนี่มาตรฐานเดียวเราเริ่มปรับพระเป็นมาตรฐานและเห็นไหม ขอให้ใช้พุทธวจนะคำตาตาคตนะไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องจริงนะเป็นสัจจะที่ภิกษุทุกรูปต้องกระทำต้องฝึกหัดปฏิบัติลองไปดูพระ20กว่าวัที่มาฝึกนะมาจีวรหลากสีบาดหลากสีเหมือนกันเราก็สอนท่านย้อมจีวรบ่มบาดนะมันจะได้เหมือนกัน ท่านมานี่ก็เครื่องรางของขั ง, งมาเต็มย่าเหมือนกันนะพอฝึกเสร็จเนี่ยโยนทิ้งหมดเลยยอมนะท่านบอกโอ้โหผิดมานานเนี่ยอยากจะบวชใหม่ได้ซ้ำก็ยังชื่นใจที่สิบกว่าวันเนี่ยเราได้เปลี่ยนความเห็นของพระได้น ะ, ะพระพวุนี้ก็มาจากทั่วประเทศก็จะไปกระจายพุทธวจนะต่อไปงานนี้เราลงทุนหน่อยแจกโนดบุ๊กให้ท่านทุกองนะจุข้อมูลให้เต็มอัตรา ต้องมีข้อมูลเท่ากับเรานะท่านจะได้ไปสอนประชาชนในจังหวัดของท่านไปสอนพระในวัดของท่านให้ถูกต้องนะอ่าก็ได้ทำไปเมื่อสักสองสมปีที่แล้วนะ <c oughs> แล้วเราก็ฝึกลงไปอีกในระดับเยาวชน น ะ, ะก็ฝึกตัวเล็กๆ เ, เดี๋ยวจะว่าพวกเด็กๆไม่รู้เรื่องนะจำไปก่อนแบบท่องสุดคูณนายมให้จำไปก่อนเพราะเราไปเจอพุทธวจนะที่องค์ตัดว่าถ้าฟังคำตถาคตหนึงน่งเนื่องจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระองค์บอกว่าเธอจะได้คุณสมบัติอะไรบอกแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละคือขาสติเวลาตาย เธอก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมด้วยสีอาการคือ 1. นึงตัวเธอจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองสองเธอจะไปได้ยินพวกภิกษุผู้บีฤทธ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทธแล้วจะบรรลุธรรมอย่างที่ 3. ามพวกเทพบริษัทจะแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเธอไปได้ยินจะบรรลุธรรม อย่างที่4ี่พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะแล้วเธอจะบรรลุธรรมนะดังนั้นการจำคำตากฏได้มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษจำมากแค่ไหนโ ย, ยมพระองค์บอกว่าขอแค่บทเดียวพอนะเช่นคำว่าอันนี้จำคำเดียวก็ได้นะนพะเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีจิตฝังหรือปักลงไป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 นั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานขอแค่บทเดียวยืนยันโดยคำพระตถาคตนะสติคําเดียวก็ได้อนาปานสติอันเดียวก็ได้ละนันทิคําเดียวก็ได้จิตหึุดกลดได้หมดนะนั้นง่ายที่สุดอยู่แล้วนะอนาปาทา ม, มากขนาดไหนผู้เจ้าบอกไหนประมูลสินานแค่ไหนอนาปาโยมว่าผู้เจ้าให้ทาวันละ วันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่ออกมาเถ้าไหร่นะทุกลมหายใจเขาออกให้ทำตลอดเลยใช่มหมน้อยที่สุดนั้นมันมากที่สุดขอน้อยที่สุดแบบขี้เกียจลัดมือเดียวโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะมีพระสูตรไหมาจาพระสูตรได้มอ่าเดี๋ยวจะบอกพระสูตรให้เยี่ยมมากผู้เจ้าตัดอย่างนี้ พระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลักนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามากะนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เห็นทางจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่นิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้นะอ่า ผู้เจ้าขอน้อยมากแต่นะอ่โยมต้องสละเวลาหน่อยนะไม่กี่นาทีเองนะคุ้มค่าที่สุดนะนี่ไปดูเด็กๆเด็กๆตอนนี้ท่องพะสูตครคล่องแคล่วกันหมดแล้วนะเราสร้างเยาวชนเนี่ยให้คล่องแคล่วในพุทธวัชะนะนะ <c oughs> วันถ้าใครมีเวลาก็วันที่เสาร์อาทิตย์เนี่ย ที่เซ็นทันเวอร์จะให้เด็กๆไปเยอยะครับอ่าน้ำนเรอ่าเนี้ก็คือน้องน้ําวุ้นอ่มีประสูตรไม้น้ำวุ้นไม่โดนข้ามวันเสาวที่เราถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกนี่ค่ะอือฮึแปดหกท่านสองร้อยสี่นี้ค่ะสองร้อยสี่มท่าว่ายังไงเนาะอืมอีกโซดังหลายอนาปานสติสมาธิ อันบุคคลจเจอแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของรานาเป็นของระดีเป็นของเกดเป็นสุขาพิหารและย่อมยางอันกุศลทลาทำไเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดที่แล้วให้อัตจานไปโดยควรแก่ฐานะได้ฉนันัน ส, สัมมาปัสสังนิพน ธ, ธินะติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบือ่อไนนันทิขยาลาค ข, าขายโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะ ข, าขายานันทิขยโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิลาค ข, าขายาจิตตังส่วนมุตตนติอุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ <c oughs> กล่าวได้ว่าจิตบุดค้นแล้วด้วยดีดังนี้ จิตให้ทันการงานว่าไปเลยอานุฐานะที่สร้างแห่งธรรสติมีเท่าไหร่มีห้าอย่างพระเจ้าค่าดีละดีละอานนถ้าอย่างนั้นมีสิ่งมีจึงต่อไป ขอนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอาชาเป็นปัจจัยจึงมีสังคัรต่างๆนาอที่ไปเจอน้องนวุ้นจัวจริงจที่เจรงลาน B2S จจะไปเจอตัวในสื้อพบปุ่มปัจจัยจึงมีราดมีอนี้ราดเป็นปัจจัยจึงมีสลายะนะเพราะ d e p e n d e n t origination นี่เป็นภาเป็นฉากเมื่อใดกันเลยท้องเมษ่อใดจะสุบาริจะสังเกติ With relational formation as m i s s i o n c o n s c i o n e s s With consciousness as m i s s i o n name and form. Nong Namu, อายุเจ็ดขวบตอนนี้เก้าขวบแล้วสังสมสุตตะมาสองปีและนะแล้วก็ล่าสุดนี่น้องเก้าสี่ขวบอยางเขียนหนังสือยังอ่านไม่ออกแต่จำได้นะอาศัยทรงจำครับพี่ล โอความชินไปเหง น, น, นทีจังมีความชินไปเหงลาคะลาคะขยานันทีคยโยโอความชินไปหงลาคะยังมีความชินไปเหงนทนทีลาคาัะขยาจิตใจสุโอดตาิอุจติโอความชินไปเหง น, น, นทีแลลาคะกล่าได้ว่าจิตุดพ้นแล้วด้วยทีหนี้นี้ นี่ในงานเปิดตัวพุทธวัฒนสมาคมนะญาติโยมก็เริ่มรวมตัวกันตั้งสมาคมเพืเ่อเผยแพร่พุทธวัฒนะนอกจากเมืองไทยแล้วก็ที่เยอรมันที่ดูซีดีของธรรมามาทุกข้ามวันเสาร์ญาติโยมก็ตั้งพุทธวัฒนสมาคมที่เยอรมันนะแล้วก็กำลังตั้งที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่สวีเดนแล้วก็ที่อเมริกานะค่อยๆขยายไปนะตอนนี้ที่วัดเลยกลายเป็นนานาชาติไป เต็มไปหมดเลยนะโยมที่มาใต้ศาลาเนี่ยมาจากประเทศโน้นประเทศนี้เต็มไปหมดนะเวลาก็มาเมืองไทยก็เลยมาเยี่ยมน ะ, ะแล้วก็มีที่ลาวอลองไปดูที่ลาวที่ลาวนี่ค่อนข้างก้าวหน้าเพราะเขามีทีมเขียนโปรแกรมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เพราะเราทําโปรแกรมที่สืบค้นนะโดยบัรจุนะโดยบรรจุข้อมูลฉบับสยามรัฐเนี่ยเข้าไปนะแล้วก็ ทำโปรแกรมสืบค้นเพื่อให้โยมเนี่ยได้ข้อมูลแล้วก็มีโปรแกรมสืบค้นเองนะแล้วเราก็ทำเข้าไปในแอปพลิเคชันของอ iPhone, iPad ด้วยแล้วก็ระบบของ a n น r o i d นะนั้นถ้าโยมคีย์คำ ว, ว่าพุทธวจนะเข้าไปใน App Store หรือว่าเข้าไปใน Play s t o r เนี่ยโยมก็สามารถที่จะได้แอปพลิเคชันนะอีเดเบอร์ก e ์หรือว่าแอปพลิเคชันพุทธวจนะ2แอปนี้ได้นะ และในแอปเนี่ยก็คือข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกตัวนี้นะพร้อมทั้งโปรแกรมในการสแกนนะแล้วก็สามารถดูถ่ายทอดสดที่วัดได้ตลอดนะและหนังสือที่เราทําทุกเร่มก็จะอยู่ในนั้นนะที่ประเทศเราก็จะนะเชื่อมต่อจากของเราเนี่ยวันนี้เขาก็เชื่อมต่อแล้วก็นำพระภิกษุมาฟังธรรมะอาตมาในช่วงขําวันเสาร์ซึ่งอาตมาจะตอบปัญหาธรรมะที่ส่งมาจากทั่วโลกนะ ว่าใครมีข้อขาดข้อเนี่ยขึ้นจอโปรเจคเตอร์นะอ่ตรงนั้นที่เรานี่จะมีทีมหลวงที่หลวงพระบางกับทีมที่เวงจันนะจะค่อนข้างเข้มแข็งขึ้นแล้วแล้วเราได้ทำหนังสือพุทธชนะสาสิบสามเล่มนี้ขึ้นมานี่คือเล่มที่หนาที่สุดนี่คือเล่มที่บางที่สุดทั้งหมดจะมีส3มสิบสามเล่มคาพระศาสดาทั้งชีวิตนะแล้วก็ ถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยทางเราจะเชื่อมไปยังพระตรปิดกของประเทศลาวแล้วก็ดึงเฉพาะพุทธวจนะที่เป็นภาษาลาวออกมาทําเป็นสามสิบสาเล่มเหมือนกันของทางลาวนะก็ะ <c oughs> จะค่อยๆทําไปอย่างนี้ในหนังสืออันนี้ก็คือจะมีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะด้านซ้ายบาลีด้านขวาภาษาไทยนะ ซ้ายบาลีขวาไทยทุกหน้านะบาลีไทยบาลีไทยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้และในนี้เป็นพุทธวัจนะทั้งหมดเวลาโยมสงสัยเอคาเิกะมีหรือเปล่าอุปจาระตรวจได้ในนี้ได้เลยนะไม่ต้องเปิดทีละหน้าก็ได้ใช้ iPad สักครึ่งหนึ่งแล้วก็สแกนหานะสองสามวินาทีก็ทราบแล้วนะมันจะบอกเล่มข้อหน้ามาให้เสร็จนะ <c oughs> ในคู่หน้าเดียวกันหัวข้อจะตรงกันนะ เราจะสามารถเทียบเคียงได้ง่ายนะเราทำตัวนี้มาอีกอันหนึ่งเพื่อให้โยมได้มีบทสวดที่ตรงตามพระสสดาพระสสดาเราสวดอะไรพระสสดาสวดอิทับปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทนะเพราะนั้นถ้าเราต้องการเดินตามรอยพระบาทของพระตถาคตโยมต้องการสัตยายธรรม ให้โยมสาธยายอันนี้พอแล้วนะเหตุเกิดของความตายเหตุดับของความตายคือสมุทัยกัณนิโลนอริสัตสีนั่นเองตัวปฏิจจสุปาฏและมันคืออริยญายธรรมธรรมะที่ทําให้คนเป็นอริย์นะโสดาบันถ้าใครมีตรงนี้ชื่อว่าโสดาบันบุคคลเข้าใจปฏิจจสุปาทนะนั้นต้องท่องให้คล่องปากขึ้นใจเลยสายปฏิจจสายเกิดสายดับนะ ทำข้อมูลมาให้หมดเลยนะนะช่วยเคี้ยวกลืนกินหน่อย <laughs> <laughs> เอ่อมีอะไรให้โยมดูอีกละ่ะ อ, อันนี้อีกแอปหนึ่งแอปอันนี้ดูถ่ายทอดสดได้มีหนังสือสิบเล่มชุดนี้นะให้โยมได้อ่านนะแล้วก็มีดีวดีทั้งหมด ที่เราไปบรรยายตามที่ต่างๆแล้วก็ m p 3ทั้งหมดได้รวบรวมไว้ให้แล้วก็สำหรับผู้ใหม่จะเข้าไปที่คำถามคำตอบตรงนี้ก่อนก็ได้ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของวัดนาปะาคงแล้วไปที่ตรงเนี้ยคำถามยอดฮิตทั้งหลายนะนะสวรรค์ลกเป็นยังไงอะไรการภาวนานะคำถามที่ไปตามที่บรรยายต่างๆแล้วเจอเป็นประจาเลยก็จะมีทีมญาติโยมอยู่ชุดหนึ่งเนี่ย รวบรวมคำถามพวกนี้นะ <c oughs> แล้วทำเป็นคำตอบไปให้คำถามอันนี้ใช่ไหมนะอาตมาบอกรัตถากฎตัดไว้ในพระสูตรนี้นี น, นี้ไปดูคลิปวิดีโอนาะทีที่ทนี้เนี้ทนี้นะจะตัดต่อไม้เสร็จนะนั้นถ้า <c oughs> ได้ตรงนี้ไปดูก่อนก็จะทำให้เร็วขึ้นนะ ไม่ไปใช่ไหมเน็ตไม่ไ네ด้ต <derivatives> <t aut> ่อนะที่นี่มีเน็ตไหมมีมีนะออไอแพดก็ขึ้นอยู่ใช่ไหมอ๋อกำลังบรรยายอ่านี่แอปตัวนี้ใช้ได้เลยเนาะอ่า ตอนนี้มีคนติดตามอยู่ทั่วโลก111ประเทศนะอ่ารุทนธุริษัทที่อยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกก็ติดตามอยู่ตลอดนะอ่าโ <c oughs> ยมก็เข้าไปสืบค้นข้อมูลต่างๆได้คือพยายามตามาพยายามจะทําข้อมูลให้กโยมให้มากที่สุดเพื่ออ่าข้อมูลผิดๆจะได้หมดไปนะแลโยมจะได้ตรวจสอบเองได้ไม่ต้องรอตามาก็ได้สืบค้นเองเลยนะ ทีนี้มีใครสงสัยอะไรไหมที่บรรยายมาเชิญสักถามได้นะนะดังไหมครับขากัาบพระอาจารย์ครับหนังสือพุทธวจนะที่ตั้งอยู่ตรงหน้าพระอาจารย์ตอนนี้ดำเนินการจัดทำไปถึงไ้นแล้วครับ เรเสร็จเล่มเดียวในสาสิบสามเล่ม <c oughs> เลือสามสิบสองเล่มคาดว่าประมาณปีนี้ใช่ครับทีแรกคิดว่าความเร็วจะเสร็จปีละสี่ถึงหกเล่มแต่คาดว่าจะเร็วกว่านั้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้จัดทําเป็นเป็นระบบเป็นขั้นตอนไว้เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเนี่ยได้เรียนรู้ระบบแล้วก็ทําไปได้คือใครก็ได้มาเรียนรู้ระบบตรงนี้แล้วก็ทุกคนจะทําได้เอางานไปทำที่บ้านอย่างเนี้ยสม ง, งานมาทางเมลนะ แล้วก็จะมีคนรวบรวมให้แล้วก็ตรวจเช็กกันรูร้ตัวอักษรแล้วก็จัดระเบียบข้อมูลเขาขาดอีกหนึ่งคำถามครั บ, รบเ อ, อหนังสือพุทธวจนะอันนี้ต่างกับพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬากับมหามกุฎยังไงครับมหาจุฬามหามกุฏไม่ต้องไปพูดถึงนะเพราะเขาเอามาจากตัวนี้ครับอเราต้องพูดว่าต่างจากตัวนี้ยังไงครับนตัวนี้เป็นยังไงพระไตรปิฎกทุกเล่มเนี่ย ยมต้องรู้โครงสร้างพระตถาปฎิบตรทุกเล่มจะมีคําแต่งใหม่และก็คำพุทธเจ้านะดังนั้นแค่เร า, เาคําแต่งใหม่ออกไปให้เหลือแต่คำพุทธเจ้าจบแล้วแค่นี้ก็ปี้ไม่ได้แต่งเติมผิดว่าตามผิดเขาผิดเราผิดเขาผิดเราผิดแต่เราจะเชิงอ่าไปข้างล่างวาตรงนี้ผิดนะอ่าตรงนี้เป็นอย่างนี้นะเผื่อถ้าเรามีหน้าที่ที่จะแก้ตรงนี้เดี๋ยวจะแก้ให้นะครับเพราะว่าในฉบับมหาอุมากรกับ มาจะว่าจะมีคําอธิบายของอัตคาถาของครูบาอาจารย์มีหมดรวมอยู่ด้วยใช่ไหมมีหมดนี่ก็มีนี่ก็มีแต่ว่าพระอาจารย์ก็แต่เราไม่เอาของสองสำนักนี้เพรา ะ, ะอะไรเพราะว่าอ่ะลองไปคน 80, 000, 000, ้นแปดหมสี่พันพัทธมรรคเนี่เพราะว่าสองสำนักนี้บอกว่าลอกมาจากตัวนี้แต่เวลาลอกแล้วไปหาไปเอาข้อมูลอื่นมาเติมด้วยมันจะลอกจริงใ ช, ใช่ไหม เช่นอะไรเช่นคำนี้จะคีย์ให้ดู 84,000 พันระธรรมขันธ์ถ้าเราไปเซิร์ชในฉบับสยามรัฐเก่าที่สุดในโลกนี้ไม่เจอนะตอนนี้กำลังกดค้นหาไม่พบคำว่า8 4มพันพระธรรมขันธ์แต่พอไปเซิร์ชในมหามุกุาลเจอเห็นมาไปหลอยเติมอาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอ่ายังมีอีกเยอะมากนะที่ไปเติมเอาดังนั้นเราจะกลับไปใช้ข้อมูลเก่าที่สุดนะอ่าไม่เอาตัวข้อมูลใหม่ ราะเขาก็คือตัวคํานำเขาก็บอกเองว่าเอามาจากตัวนี้นะอย่างนี้นนะ <c oughs> ท่านนี้หลักตรงเนี้ยท่านพุทธทาสเคยทํามาก่อนเหมือนกันนะคือท่านทำห้าเล่มจากพระโอษ์ ต, ตัวนี้ในนี้มีแต่พุทธวจนะผลงานท่านพุทธทาสเป็นร้อยๆเล่มเนี่ยจะมีอยู่ห้าเล่มแค่นั้นที่เป็นพุทธวจนะนะนั้นถ้าโดยหลักการของพระศาสดาให้โยมอ่านเฉพาะห้าเล่มจากพระโอษ ของท่านเท่านั้นเพราะคือคำพูดของพระเจ้านอกจานั้นคำแต่งใหม่ก็อย่าไปสนใจเหมือนกันเหมือนที่พระเจ้าตับไว้นะท่านก็ใช้ตัวนี้อีกเหมือนกันเพราะเป็นตัวดั้งเดิมตัวแรกไม่มีเก่ากว่านี้นะ <c oughs> แต่ทีนีทน้ท่านดึงมาเฉพาะอเลสสสีปฏิจจส่บ า, าท์อเลสสสีทำได้สองเล่มปฏิจจ์ได้หนึ่งเล่ม พุทธประวัติที่เล่าออกจากปากพระศัสดาหนึ่งเล่มและขุมทรัพย์คําที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนพิสูจน์ได้หนึ่งเล่มนะรวมเป็นห้าเล่มแต่คําศาสดาทั้งชีวิตมีสาสามเล่มนะเราจะเชื่อไม่ตรงกันเล่มหนึ่งก็ตรงกับเล่ม1ของฉบับสยามรัฐหนึ่งตอนหนึ่งสองตอองอย่างนี้นะนะนั้นนี่คือ <c oughs> พุทธวจนะตัวนี้และเมื่อดึงคําพระเจ้าออกมาแล้วเราก็ใส่บาลีเข้าไปด้วยเพราะ ในฉบับสยามรัฐเนี่ยมีบาลี45เล่มและภาษาไทย45เล่มโยมจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาบาลีอีกนะใส่เข้าไปเลยในนั้นเวลาสํานวนการแปลไม่เหมือนหรือมีข้อผิดเพี้ยนไปจากที่ไหนโยมจะได้ตรวจบาลีได้ว่าบาลีจริงๆแล้วคือคํานี้อย่างนี้ขอากาดเรียนธรรมพ อ, อดีเคยเคยเห็นที่เป็นปกฉบับสีแดงแล้วก็เป็นรูปช้างไม่สราบว่าอันเดียวกับที่พระอาจารย์ถือใช่หมครับ อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนีพ่พิมพ์ใหม่สองสองห้าสามแปดอันนี้สองสี่หกแปดนี่เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองนะเป็นเล่มจริงและพิมพ์จริงจริงครั้งที่หนึ่งนั่นสองสี่สามหคือเล่มนี้ที่ขึ้นในจอให้ดูนะ่ะแต่แล้วผมเคยเซิร์ชใน Google ที่เขียนว่าพระไตรปิฎกฉบับหลวงนี่คือฉบับไหนครับพาอาจารย์อ๋ออันนั้นคือแปลใหม่อีกทีเสร็จเมื่อ ป, ปีพศสองพร้อย คือตัวบาลี45เล่มตัวเนี้นะมันเป็นการแค่เปลี่ยนอักขระนะอักขระหอมมาเป็นอักขระสยามเพราะฉะนั้นถ้าโครสดูใกล้ๆโยมจะอ่านไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยเตนะสมยเยพุทโธพระกวานะอุลุเวละอะไรอย่างเนี้ยโยมจานไม่รู้แค่เปลี่ยนอักขระเหมือนกับว่าผู้เจ้าพูดว่าปานาติปาตาเวรมณีขอมเอาไปเขียนก็ต้องเขียนให้อ่านออกว่าปานาติปาตาเวรมณีอักษรไทย ก็ต้องเขียนให้อ่านออกว่าปานาติปาตาเวรมณีแต่จะต้องมาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้นี่คือเล่มแปลภาษาไทยและนี่คือเล่มบาลีอย่างนี้นะจึงมีสองตัวอย่างนี้คู่กันดังนั้นท่านผู้ทาาก็ไปแปลจากบาลีโดยตรงมหาเมกุลมหาจุราก็ไปแปลจากตัวบาลีใหม่โดยตรงเช่นกันเข้าใจมตัวปีสองันห้าร้อ คือแต่ละราชการนี้ก็ทยอยแปลาจากบาลีเนี่ยเสร็จไปทีละห้าเล่มสิบเล่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จล่าสุดสมบูรณ์เมื่อปีสองพันร้อยนั่นเองนะตัวเดียวกันคาเล็ก เ, เรียนถามนะค ะ, ะคือเคยเห็นพระไตรปิฎกฉบับอักษรโรมันนะค ะ, ะไม่ทราบฉบับนั้นเนี่ยมีความ เพิ่งทำใหม่เพิ่งทําใหม่ค่ะใช่ใช่ก็รวบรวมมาตัวนี้คือคือยมดูที่มาที่ไปของตัวนี้ก่อนว่าตัวเนี้ยนะเอามาจากอักษรขอมในไบลานที่รอนึงทำไว้ปีสองสามสนึ่และประเทศในแถบสุรนารุ่งเนี้ยเอามาจากพระเจ้าโสมหาราชดังนั้นข้อมูลตัวนี้คือข้อมูลจากสาวินรรค์นั่นเองคือเก่าที่สุดแล้วโยมไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนที่มันเก่ากว่านี้ เว่า น, นี้คือเก่าที่สุดขนานในใบลานที่เจอในอัฟกานิสถานยังเก่าน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้เก่ากว่าน ะ, ะและที่เป็นอักษรไทยอักษรไทยอักษรสยามเนี่ยก็คือตัวนี้เล่มแรกน ะ, ะไม่มีเก่ากว่านี้ดังนั้นชาวพุทธเราเนี่ยรู้เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยด้วยคุณนูปการของรัชกาลที่ห้าที่พยายามปลับอักษรมาเป็นอักษรไทยเพื่อให้อ่านรู้เรื่องนะ โดยนิมนต์พระมาร้อยกว่ารูปที่วัดพระแก้วช่วยกันทำใช้เวลาทำอยู่ห้าปีนะอ่าเป็นอย่างนี้ไม่มีเก่ากวันนี้ดังนั้นเรายิงไปที่หลักฐานนี้ตัวเดียวนะอ่าที่เหลือเนี่ยลอกไปจากตัวนี้ทั้งนั้นเอาไปแตกลูปนะนะโยงข้าลังพิเศษใช่เรียนถามพระอาจารย์ว่าในพุทธว จ, จนะเนี่ย เนื่องจากที่พระอาจารย์สอบทานผู้ฟังเนี่ยทั้งเรื่องบัวสีเหลาเรื่องสตาร์เนี่ยแสดงว่าเราได้รับการศึกษาบ่มเพาะมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้พิสูจน์แล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านได้สังสอนไว้แบบนี้จริงหรือไม่ทีนี้ก็เลยพอเป็นอย่างนั้นก็เลยมีความสงสัยว่ากาลงมัสูตรกับ มงคลสูตรเนี่ย <c oughs> ในสมัยพุทธกาเนี่ย <c oughs> พระพุทธองค์ท่านได้สอนไว้หรือไม่คะ่ะสอนนะแล้ว <นะ S 2> เป็นไปตามที่ huh. เรารู้หรือไม่คะ่ะไม่ค่อยเป็นไปตามที่เรารู้เท่าไหร่พระยกการามสูตรเนี่ยมักจะยกผิดๆมากพอสมควรเช่น ว, ว่ามักจะไปยกว่าผู้เจ้ายังสอนไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าโดยยกข้อสิบ ข, ของการามสูตรแต่ไม่ใช่ ข้อที่สิของการละมสูตรเอาไปดูพิสูจน์กันได้เห็นนะจะได้หายสงสัยในข้อที่สิเนี่ยว่าอย่าเชื่อว่าผู้พูดนะเป็นครูของตนเนี่ยใช้คำว่าสามโนโนคุรุไม่ใช่ว่าอย่าเชื่อคำต ถ, ถาคตนะคำต ถ, ถาคตเนี่ยพระเจ้ามีบอกต้องให้เชื่อดังนั้นในการละมาสูตรข้อที่สินะของจริงเป็นอย่างนี้ <c oughs> อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสัตว์ว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตน สมโนโนโการุนะไม่มีตถาคตนะนะอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ฟังตถาคตไปดูพระสูตรนะพระองค์บอกว่าอะไรนะถ้าชนเหล่าใดเนี่ยชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระองค์ยืนยันเลยว่าตัวพระองค์เก่งที่สุด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 พรเจ้าให้ฟังตถาคตเพราะพระองค์เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดครูคนอื่นเนี่ยยังมีคำพูดที่ผิดแต่ครูระดับตถาคตพูดไม่ผิดเหตุผลเพราะอะไรตัดไว้กับอคิเวศนะบอกอคิเวศนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในนั่นคือพระตถาคต กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวนี่คือคุณสมบัติที่โยมไม่ทราบและพระก็ไม่ทราบก็เลยคิดว่าสาวกพูดถูกเหมือนพระเจ้าทั้งหมดไม่ใช่และณวันนี้เราเลยไปปกป้องคําสาวกแต่จริงๆเราต้องปกป้องคําตถาคตนะอ่านี่คือการกลับตาลปัดกันเลยนะคําสาวกปกป้องไม่ได้นะเพราะสาวกไม่มีสิทธิ์บัญญัติด้วยซ้ําน่ะ คำว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนไม่ใช่ผู้บัญญัติคําสอนตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่บัญญัติธรรมและวินยัยนะเธอมีหน้าที่จําและไปประพฤติปฏิบัติตามให้ถึงที่หมายแค่นั้นพอดังนั้นพระองค์จัดกับอ ค, คิเวสนะนะว่าเราจําเดิมแต่เริ่ม แ, แ, แสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแท้กําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดและคำตถาคตตัดกับพิสุท์ทั้งหลายว่าไม่มีการขัดแย้งกัน อนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถากตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยดังนั้นสายนิกายมีไม่ได้ในพุทธศาสนาเพราะศาสดาผู้เดียวออกมาจากปากศาสนาผู้เดียวจะแตกต่างกันได้อย่างไรคุณไปแต่งเองไปเติมใหม่จํามาผิดเหตุผลจิปารธา แตกรูปกันไปผ่านมา 2,000 ันกว่าปีนี่คือความเพียนใช่ไหมดังนั้นอัตามาดึงพวกเราเนี่ยให้กลับไปสู่คำตาตาคตนะคำอาจารย์คริขลิก็มีไม่ได้นะดังนั้นหนังสืออัตาหมาทั้งหมดไม่มีคำอัตาหมามีแต่คำพระสัสดานะมเป็นอย่างนี้และคำพูเจ้าเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลไม่มีสาวกคนใดกล้าบันลือเสียนนะว่าผมพูดแล้วเป็นอากาลิโกมีไหมไม่มี สารีบุตรยังไม่กล้าเลยใช่ไหมพระสารีบุตรเคยพูดพลาดไหมพระละหัน์เลื่ทางปัญญามือขวาพระเจ้าพระเจ้าชมเลยว่าเก่งรองจากพระเจ้าลงไปเปรียบเหมือนโอรสองโตที่จะได้ขึ้นคลองลาดพระสารีบุตรบอกว่าพระที่ไปเข้ากับพระเทวทัตนะนะที่กลับมาหาพระเจ้าให้ศึกให้หมดเลยแล้วปดใหม่นี่คําพูดหลุดมาจากปากนะนะพระเจ้าว่าไงสาริบุตร เธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพิสูจน์เหล่านั้นเลยให้ปราบบาปทุจริตนะถ้าหลุดออกจากปากแล้วเป็นอาการเลโกอย่างผู้เจ้าไม่มีใครคัดงางได้ทําไมผู้เจ้าคัดงางได้ถ้าผิดครั้งเดียวก็ไม่ได้แล้วเพราะผู้เจ้าไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวน ะ, ะนี่คือความต่างกันน ะ, ะไม่มีใครกล้าโยไม่ทราบว่าพระละหันในครั้งพื่นการคิดผิดพูดผิดทําผิดมีครบหมดเลยนะ คิดผิดใครพระมหากัาปินะโ <c oughs> ยมคิดว่าพระหลันเนียบผดพูดมาต้องไม่ผิดผดไม่ใช่ไม่ใช่พผู้เจ้าคนเดียวที่เนียบทุกเรื่องมีอยู่คนเดียวพระมหากัาปินะคิดในใจว่าเออเราเป็นพระหลันแล้วไม่ต้องไปลงอุโบสถสวดทบทวนสินก็ได้นะเราบริสุทธิ์หมดแล้วเนี่ยผู้เจ้ารู้ความคิดมาปรากฏต่อหน้าเลยบอกกราปินะเธอจงไปลงอุโบสถเธอไม่ไปลงไม่ได้ ถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถใครเล่าจะเคารพอุโบสถโดนเลยนะและท่านกล้าคัดงานใหมไม่กล้าปุ๊บไปเลยนะนะแล้วพระมหากรินาเป็นพระลานที่มีฤทธิ์มากด้วยนะครั้งหนึ่งที่พรมชั้นหนึ่งนะแค่นึกคิดขึ้นมาว่าไม่มีพิสูรูปใดหรอกมาสู่พรมชั้นนี้ได้พู้เจ้าขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวพรมเลยนะพระกรรณาพุทธเจ้าไปไหนออกไป ขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวรขมบางพระกัมินไม่ธรรมดาเหมือนกันนะออไปดูการกระทำผิดของพระพาราธวาชานะที่ไปแสดงฤทธิ์ในเมืองราชคลึกและถูกผู้เจ้าตำหนิโอ้โหผู้เจ้าตำหนิพระอรหานรุนแรงมากจ้นะแล้วก็สั่งประชุมสง์และก็บัญญัติวินัยลองดูนะตรงนี้ไปดูพระตาบิดกฉบับสยามรัฐ พาลัตวาชาไปปลดบาดข้าเศรษฐีลงจากยอดไม้แล้วหอบไปเมืองะะราชคลึกสามรอบคนก็อูแห่แห่ห้อมล้อมพารัตวาชามารัฐาตากฎก็ได้ยินเสียงอื้ออึงถามอานน์เสียงดังอะไรกันบอกข่าวว่าพารัตวาชาปลดบาดข้าเศรษฐีงั้นไปเรียกพารัตวาชะมาเดี๋ยวนี้เราสั่งประชุมส่งนะแล้วก็เริ่มสอบสวนพารัตวาชาตามนี้พ <c oughs> ารัตวาชาข่าวว่าเธอปลดบาดของราชะข้าเศรษฐีลงจริงหรือ พาลัทวัชะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจาา้าค้าพระองค์ตํมณิว่าพาละทวาชะการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำชะไหนเธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคเรือหัดเพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่ามาตุความแสดงของลับเพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจซากศพแม้ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยุตดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคเรือหัดเพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุดซากศพการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่ใช่คนเลื่อมใสนะเธอเนี่ยกำลังทําสิ่งที่ทําให้คนไม่เลื่อมใสคนแห่แหนห้อมล้อมมาเต็มเลยแต่ผู้เจ้าพูดสวนทางกันเลยเพราะพระองค์คือสัพพัญยูรู้ว่าการกระทำอย่างนี้ถ้าคนทําตัวอย่างาศาสนาเสือ่อมเห็นไหม พระลานนะโอ้โหถูกว่าต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์นะเป็นร้อยลอยเห็นไหมไม่กล้าคัดงานพระแม่แต่นิดเดียวยอมรับเป๊ะเป๊เป๊ะทำตามและพระเจ้าก็บัญญัติวินยัยจนมาทุกวันนี้พระใช้บาดไม้ไม่ได้เพราะพระเจ้าบัญญัติตัวนี้ <c oughs> ทรงทำทำมีคาถารับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ปรนแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันโยดยิ่งของมนุษย์แก่พวกกระเหรีหร่ย รูปใบแสดงต้องอาบัตทุกกฎดังนั้นใครแสดงอิทธิปฏิหารต้องอาบัตทุกกฎแต่เป็นอาบัติที่เบาที่สุดปรงได้ด้วยวาจาไม่ได้หนักหนามากนะนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะ <c oughs> <c oughs> พวกเธอจงทำลายบาดไม้นั้นบทให้ละเอียดใช้ปัญญาหยอดตาของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุไม่พึงใช้บาดไม้รูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎพระนะ้าวันนี้ใช้บาดไม้ไม่ได้ก็เพราะนะบัญญัติตัวนี้ พระเจ้าอนุญาตบาทสองอย่างคือบาทเหล็กกับบาทดินนะทุกวันนี้พระก็ใช้ได้แค่สองอย่างแค่นี้บาทดินกับบาทเหลก็กนะแค่นั้นเองนะทุกอย่างมีที่มาที่ไปโยมไม่ใช่มาลอยลนะอยนเป็นอย่างนี้ลองดูภาพพระพุทธเจ้ามะโยมเห็นพระพุทธรูปเนี่ยรูปปัน้นภาพพระพเจ้าเนี่ยมีผมไหมมีผมนะโยมลองดูภาพ แล้วพระเจ้าจริงๆมีผมหรือไม่มีผมนะ <c oughs> เราก็เลยทําภาพพระเจ้าใหม่นะแต่เดิมจริงๆเราก็ทําภาพพระเจ้ามีผมเหมือนกันนะพอให้ญาติโยมศึกษาพุทธศาสนะมากๆญาติโยมก็ถามว่าเออแล้วพระเจ้ามีผมหรือเปล่านะก็มาสืบค้นให้นะแล้วพอสืบค้นแล้วเนี่ย <c oughs> ปริพาชกทั้งหลาย <c oughs> เขาเรียกพระศาสดาเราว่าอะไรโยม เขาเรียกพระศัสดาเราว่าสมณะหัวโลนหรือคนโล น, นไปดูพระสูตรนี้ภารัวาชะเห็นผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลตะโกนเรียกผู้เจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาว่าผู้เจ้าเราเป็นคนถอยแต่ก่อนเนี่ยทุกคนเป็นเจ้ารัตทีกันทั้งนั้นนะเก่งอดเลยเขาก็ไม่ยอมผู้เจ้าเหมือนกันาาก็ฟาดฟันกันหน้าดูเลยผู้เจ้าเราเป็นนักโตวาทะอันดับหนึ่งเหมือนกัน นะซึ่งปริพาชคทั้งหลายเนี่ยกลัวมากนะบอกว่าหลายๆคนพูดว่าอย่าไปโต้วาทากับสมณะโคดมเลยเหมือนเอาสาบัวไปฟาดหินมีแต่จะแตกหรือเปรียบเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินมีแต่ฟันจะหักน ะ, ะเพราะฉนั้นผู้เจ้าเราเก่งมากนะมีมีปริพาชคอยู่คนนะเขาเป็นนักล้มบาทะทุกคนเลยในยุคนั้น เขาก็เลยชวนเจ้าฤาวีห้าร้อย 500. บอกมาเจ้าฤาวีห้าร้อยมาเป็นพยานวันนี้จะล้มวาทฆาสมณะโคโดมให้ดูนะนเขาก็เดินตามหาผู้เจ้าพอเจอผู้เจ้าแล้วก็เลยมีการโต้วาทากันขึ้นแต่ผลที่สุดแล้วหลังจากการโต้วาทะนะอนธิเวสณะต้องยอมแพ้นะยอมแพ้แล้วเนี่ยบอกขนาดว่าบุรุษมาเจอช้างตกมันก็ดี มาเจออาศรพิษร้ายก็ดีมาเจอกองไฟใหญ่ก็ดีก็ยังก็ยังพอเอาตัวรอดได้แต่มาเจอสมณโคดมเนี่ยเอาตัวไม่รอดนะต้องยอมแพ้สถานเดียวนะซึ่งแต่ก่อนก็เคยบรรลือเสียหนาาน่ามากเขาเนี่ยโตวาทากับใครคนนั้นน่ะต้องเหงื่อหยดนะแต่พระปฏระครั้งเนี่ยอคิเวสนะเหงื่อหยดนะพระวพระเจ้าบอกนี่ไงเหงื่อเรายังไม่มีสักหยดแต่เธอเนีเหงื่อหยดแล้วนะอ่านะ โอ้โหนี่เป็นโยมต้องไปอ่านพระสูตรนี้สนุกมากนะได้ปัญญามากเลยโยมคนในยุคนั้นเนี่ยเรื่องปัญญาทางนั้นพวกออกป่าทั้งหลายพวกคิดนอกกรอบไงใช่ไหมเหมือนในก่อนนะคนมันคิดนอกกรอบอยากจะไปดวงจันทร์อ่ะใช่ไหมมันก็ไปกันจนได้ใช่ไหมอ่ามันก็มีคนในยุคนั้นคิดนอกกรอบเอ๊ะคนมันตายกันหมดเนี่ยไม่ตายมีไหมเนี่ยมันต้องมีเรื่องไม่ตายสิออกแสวงหาความไม่ตายไง ผู้เจ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกแสวงหาความไม่ตายทานนี้ปริพาชกอื่นไม่เจอนะแต่ผู้เจ้าเจอก็เลยมีการโต้กันว่าของใครถูกของใครจริงนะดังนั้นไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายมันเรื่องจริงกับไม่จริงนะใครรู้ความจริงจริงๆว่าพ้นจากความแก่เจ็บตายจริงนะผู้เจ้าตัดเลยว่า <c oughs> พระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาความเกิดความแก่ความตาย ถ้าธรรมชาติสามอย่างนี้ไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจําเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกไม่จําเป็นเลยพนะระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แต่นั้นยกข้าใจกแก่นของคําสอนให้ดีน ะ, ะเดี๋ยวจะเป็นชาวพุธศูญเปล่านั่นเองน ะ, ะนั้นเกิดมาแก้ปัญหาตรงนี้ชาติฉลาม อ, อลำนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจริงๆแล้วปรองผมด้วยนะอีกพระสูตหนึ่งเนี่ย สุนทริกะพารัทวาชะนางปรามนีบูชาไฟเสร็จแล้วก็เหลียวดูไปทั้งสี่ทิศเอ๊ะใครหนอเป็นผู้สมควรได้อาหารที่เหลือจากการบูชาไฟนี้เขาก็มองไปเห็นสมณะรูปห น, นึ่งนั่งอยู่ใต้คนไม้เอาผ้าคลุมศรรรีรษะเขาก็เดินเขา้าไปหานะปรากฏว่าเป็นผู้เจ้าเราผู้เจ้าได้ยินเสียงฝีเท้า<ม>ก็เลย รถจีวรลงอาราธวาชะตกใจบอกอุ้ยมีสมณพูโลนเดินหนีดีกว่าเดินหนีมาสักพักก็ระลึกได้ว่าเออสมณพามบางผูกก็หัวลนเหมือนกันนะกลับเข้าไปหาใหม่แล้วเอาอาหารไปถวายอย่างนี้ผู้ชาก็เลยบอกเอาอาหารไปทิง้งซะนะเพราะนะว่าพระองค์ไม่ฉันอาหารแบบนี้แล้วก็พระองค์เห็นว่าไม่มีผู้ใดในสามโลกย่อยอาหารอันนี้ได้ เราก็มีเรื่องราวต่อจากนั้นอีกพอสมควรนะนางพรมามณีเอาอาหารไปทิ้งในน้ำตามที่ผู้เจ้าแนะนาก็น้ำเดือดปุดๆมาก็เลยรู้สึกว่าผู้เจ้าเนี่ยนะมีความรู้มากมีปฏิหารมากนะนี่ก็เป็นอีกวสูตรหนึ่งที่ให้เห็นว่าผู้เจ้าเนี่ยปรงผมดเหมือนกันนะนั้นเห็นไหมว่าข้อมูลเราเนี่ยผิดมานานมากพอสมควรนะ อาตมาไปบรรยายที่หนึ่งให้นักวาดรูปทั้งหลายทั่วประเทศเขามาประกวดกันอาตมาก็ถามเรื่องนี้ว่าโยมวาดรูปพระเจ้าเคยวาดกันมาไหมบอกเคยแล้ววาดมีผมไหมวาดมีผมกันทั้งนั้นเลยนะบอกเออเราตกลงพระเจ้ามีผมไม่มีผมนะแสดงว่าวาดตามๆกันมาเรื่อยๆใช่ไหมอ่านะก็ยกพระสูตรนี้ให้เขาดูนะเขาจะได้ทราบเผื่อเขาจะได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะวาะวาดภาพพระเจ้าไม่มีผมบ้าง มีคำถามอื่นไหมเชิญสงสัยอะไรสักตัวเชิญกหลังสึกใหม่ดีมะเปลี่ยนใหม่หมะเปลี่ยนใหม่ตัวออิดก็ได้นะ่ไตนี้ดิเอดใช้ได้มัไ ก, กล้ๆได้มั้ย ไม่เคยดังละเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไหมพอดีผมเพิ่งเข้ามาฟังนะครับคราว น, นี้เ อ, อตัวที่พระอาจารย์โชว์เรื่องสยามรัฐเนี่ยนะครับเล่องนี้<อ>นะครับเราจะมั่นใจมั่นใจได้ยังไงว่า<อ>ตัวนี้เนี่ยจริงที่สังขยานามาแล้วหรือว่าอะไรมาแล้วเนี่ยมันเป็น<อ>ที่พระพุทธเจ้าได้ได้ได้กล่าวไว้จริงๆนะครับ ต, ตัวจได้ยกตรวจได้มันเป็นสิ่งที่ตรวจได้ดังนั้นถ้าพระทุกวันนี้ไม่มั่นใจแล้วบาทจีวรท่านใช้ของใครอะทาไมท่านไม่นุ่งกางเกงใส่เสื้อผ้าหรือเอากระทนมาเป็นบาทใช่ไหมทุกคนใช้ประวัติศาสตร์สืบคน้นไปสืบคน้นสืบคน้นผู้าตัดไปในนี้หมดพิกษุมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายนะโยมเคยเห็นรอห้ามะ<ๆ>เกิดไม่ทําใช่ไหม แต่โยมเชื่อว่ามีจริงมะมีจริงเอ๊ะเชื่อได้ไงอ่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์โยมก็ไม่เคยเรอนึงใช่ไหมรู้ได้ไงรอนึงมีจริงดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระตะบิโดบที่รอนึงที่นิมนต์ให้พระ200ร้อยก็รูปมาทำก็ยังอยู่ที่หอมันเทนทำที่วัดพระแก้วทุกอย่างมีประวัติศาสตร์หมดอินเดียเขาก็มีพระเจ้าโศกมาราซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปริยพันธ์และอักษรพราหมีภาษาประปรกิดในสาวินรรษนั้น เป็นต้นกําเนิดของอัคราอินเดียในปัจจุบันทุกประเทศมีที่มาที่ไปของเขาของเราก็หลักศิลาจารย์เลี้พ่อคุณลามกำแหงเราก็ไม่เคยเห็นพ่อคุณรามแต่เราก็เชื่อว่าพ่อคุณรามมีใช่ไหมดูจากหลักฐานทางประวิสชาติที่ต่อเนื่องยาวนานเนื่องจากเราไม่ได้ศึกษาไงนะเราก็ค่อยๆสาวไปสาวไปอย่างนี้เนาะก็คือหมายความว่า อ, นนอันนี้เนี่ยก็ ค, นะคือดูจากประวัติศาสตร์เท่านั้นเองถูกไหมครับอาจารย์ว่าทุกท่านนะ นี่คือหลักฐานมีหลักฐานสองอย่าง1 ห, หลักฐานทางโลก2หลักการประพฤติปฏิบัตินี่เรายังไม่ได้พูดเรื่องหลักการประพฤติปฏิบัติเช่นปฏิจจสุบาทซึ่งตรวจได้นะดังนั้น <c oughs> เรื่องหลักฐานเนี่ยเราสาวไปก่อนว่าพระไตรปิฎกทุกวัดทั่วประเทศเนี่ยของสองสํานักใหญ่เนี่ยหมามงกุหมาจุฬาเอามาจากไหนนะโยมเพิ่งมานั่งอาจจะยังไม่ทราบมาเมื่อกี้ได้บรรยายไปแล้วนะคือเอามาจากตัวนี้นะนีถอยประวัติศาสตร์ตัวนี้ พระในยุคลอห้าทำเอามาจากไหนเอามาจากใบล้านอักษรคอมที่ยุครอหนึ่งทำประเทศในแถบสุรัขภูมิเอามาจากไหนนะนะอันนี้คือใบลานในยุครอหนะึ่งะประเทศในแถบสุรัขภูมิเอามาจากเซอวินาโซนะซึ่งถ้ายมไปอินเดียยมก็คงได้เห็นเซอวินาโซใช่ไหมปัจจุบันยังมีอยู่นะนี่คือที่มาที่ไปนะหลักฐานทั้งวาศาสตร์มีครบหมดนะอันะนะนี่คือหลักฐานทางโลกส่วนหลักฐานทางธรรมเนี่ยยมไปดูเรื่องของ ปฏิจจสุบาณ น, นะปฏิจจสุบาณเนี่ยโ <c oughs> ยมเคยเดินห้างใช่ไหมนะเคยซื้อเสื้อผ้ามาใส่นะผู้หญิงก็เคยซื้อกระเป๋ามาถือใช่ไหมทำไมเวลาโ ย, ยมซื้อเสื้อเนี่ยโยมอยากได้เสื้อตัวเนี้ยไม่อยากได้เสื้อตัวอื่นมีทั้งหลายร้อยตัวเป็นเพราะอะไรใช่ไหมเคยดูจิตตัวเองไหมเป็นเพราะอะไรถึงอยากได้เสื้อตัวเนี้ยนะโนะยมต้องพอใจเสื้อตัวนี้ถูกต้องไหม ความพอใจต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาถูกต้องไหมถ้าจะมาถามโยมต่อว่าก่อนโยมพอใจเสื้อตัวเนี้อะไรเกิดก่อนธรรมชาติอะไรเกิดนึกออกมาโยมว่าไงนะโยมบอกลูกตาโยมนี้บอกผัสสะถูกต้องใช่ไหมผู้เจ้าบอกว่าผัสสะต้องมีตากระทบรูปก่อนจึงเป็นเหตุให้เกิดซึ่งเวทนาคือความพอใจจากเวทนาจะเกิดตัณหาคือความอยากเห็นไหมตรวจได้ไหม อาตมาเคยไปบรรยายทำนี้ให้อิสลามกับคริสฝังอิสลามอย่างชอบเลยนะอาตมาตัวแทนพุทธมีตัวแทนอิสลามตัวแทนคริสไปพูดกันที่ไบเทคบางนาอาตมาไปพูดต่างศาสนาอาตมาจะพูดอะไรนะเดี๋ยวมันทะเลาะกันนะเอาปฏิจจสุบารไปพูดเป็นธรรมที่ไม่มีใครคัดงา앙ได้เพราะอิสลามก็มีลูกตามีหูจมูกเดินกายใจเหมือนเราจะเป็นคนจีนคนไทยคนาลาวฝรั่งมีเหมือนกันหมดนะและ ธรรมชาตินี้มีลำดับขั้นในการเกิดเหมือนกันทั่วโลกนะเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผู้เจ้าจึงบัญญตัติตรงนี้มา ต, ต, ตัวท่านก็มีเหมือนกันผ่านมา 2,000 กว่าปีถามโยมโยมก็บอกตรงกันกันกบที่ผู้เจ้าบัญญัติธรรมะนี้เรียกว่าอกาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาพิสูจน์ได้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเป็นสิกขีปุโตเป็นพยานในตนเองได้ ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาบอกว่าเอ๊สยามรัตเชื่อได้รไหมเนาะฟังตามๆกันมาหรือเปล่าตรวจเลยตรวจนะนี่คือการตรวจแบบโล ก, กุตละซึ่งยังไม่ได้บอกให้โยมฟังโยมก็เลยกล่าวโอยไอหลักฐานทั้งโลกแค่นี้มันจะเชื่ออะไรได้นาะ<ม>ใช่ไหมนี่มันต้องตรวจพอเข้าใจมาหรือที่พระเจ้าบอกว่าวิญญาณจะวนไปในขันทั้ง4ี่โสดาบันจะต้องเห็นวิญญาณหรือจิตเราเนี่ย จะบนอยู่ในลูกเวทนาสัญญาสังขารถ้าโยมนั่งสมาธิณนะวันนี้ณนะวินาทีนี้โยมก็จะเห็นว่าจิตของโยมที่นั่งรู้ลมหายใจเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวหลุดไปคิดอดีตเดี๋ยวหลุดไปคิดอนาคตเดี๋ยวหลุดไปพอใจไม่พอใจเดี๋ยวกลับมาที่ลมโยมจะนั่งไปกี่สิปีก็ตามจิตจะบนอยู่แค่สี่ธาตุนี้นี่เป็นความรู้โสตบันนะซึ่งโยมก็ตรวจได้ว่าผู้เช่าพูดจริงบันทึกในนี้มีจริงแฮะนะพิสูจน์ได้เหมือนโยม พิสูจนทฤษฎีของไอน์สไตน์โยมก็ไม่เคยเห็นไอน์สไตน์แต่โยมเอาทฤษฎีเข้ามาทำเป็นระเบิดปารมานูได้ใช่ไหมหลักการเดียวกันนะนี่เป็นอย่างนี้ขอเข้าใจนะฮะก่าวขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ค่ะเรื่องของอุปสน์นะคะ พระพิสุส่งหมายถึงว่าจะต้องลงทุกรูปไหมคะอย่างเช่นเจ้าวาดหรือว่าพระที่มีชันสามาราแล้วหรือมอายุมากแล้ ว, <อ>ลวค่ะต้องลงด้วยไหมคอ๋ออยู่ที่เหตุปัจจัยของการอยู่ในอาวาสถ้าพระนั้นอยู่หนึ่งรูปนะก็ไม่ต้องสวดปฏิโมกถ้าพระรูปนั้นอยู่หนึ่งรูปสองรูปสามรูปไม่ต้องสวดปฏิโมกทั้งชีวิตก็ได้นะ แต่ถ้าอยู่ตั้งแต่4รูปขึ้นไปต้องทําการสวดปฏิโมกตันทีนะเรียกว่าลงอุโบสถ ด, ด้วยการทบทวนศินปฏิโมกแต่ถ้าอยู่3ให้ลงคณะอุโบสถนะอ่าถ้าอยู่สองให้บอกบริสุทธิ์อยู่หนึ่งให้อธิษฐานอุโบสถ ด, ด้วยการพูดว่าอัจจะเมอุโบสถโถวันนี้เป็นวันอุโบสถของเราจบแล้วไม่ถึงนาทีถ้าอยู่2รูปนะไม่ต้องสวดปฏิโมก ให้บอกบริสุทธิ์ด้วยคําว่าปริสุทธโธอาหังพันเตบริสุทธโทติมันทาเลตะข้าพเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่จบแล้วแค่นี้ต่างคนต่างพูดอย่างนี้อยู่สามคนก็ให้คนคนหนึ่งมาชวนอีกสองคนมาเพื่อบอกบริสุทธิ์ด้วยคาพูดเหมือนกันอยู่สองคนอย่างนี้พูดคนละครั้งคนละครั้งคนละครั้งเสร็จแล้วไม่ถึงห้านาทีถ้าอยู่สี่รูปพัวต้องสวดปฏิโมขึ้น ท, ทันทีอย่างนี้ ในกรณีที่ ม, มีพระที่มากกว่าสี่รูปอะค่ะมีมีข้อยกเว้นไหมคะที่ไม่ต้องลงบบอุโบสถอะไม่มีก็คือไม่ว่าจะเป็นอายุมากเชิญสา ม, มารกหรือเป็นจเจ้าอาวาสหรือเป็นไม่มีอ อ, อะไรนะ ป, ปะเปรียนก <c oughs> ็ยอมมีอะไรอย่างเงี้ยก็ขนาดพระกัปปินะเป็นพระหลานะ่ะตัวเองจะขอยกเว้นไงเ อ, อ้เราเป็นพระหลานแล้วไม่ต้องจ้อวงเจ้าอาวาสหรอกนี่พระหานเลยนะอ่าออจะขอไม่ไปลงอุโบสถผู้เจ้ารู้ความคิดพุ่งมาต่อหน้าเลย บัรจัดเรื่องนี้ไปแล้วนะเนะพราะนั้นไม่มีเรื่องการลงอุโบสถมีมากกว่า700ข้อนะในวินัยข้อนี้นี่เอาแค่อุโบสถอย่างเดียวนะโยมดังนั้นในสิน200ข้อนี่มันไม่ใช่มันมีเป็นพันพันข้อนะ พระอาจารย์ค่ะอยู่ตรงไหนเนาะออตรงนี้คือเพิ่งเพิ่งจะได้ทราบเรื่องพรวินัยนะคะแต่เรื่องเรื่องมาที่ท่านพระอาจารย์ท่้นบอกเนี่ยก็คือเรื่องของดอกบัวสีเหลาทีนี้หนูก็งงมาค่ะบอกว่าแล้วใต้ควรตมมาตั้งมาจากไหนหรือมาตั้งแต่เมืไหรของผิดเนี่ยไม่ต้องไปสาวเราเยอมเราดูของถูก เพราะว่าไม่รู้ใครมันจิบปาร์ทามันจะปรุงแต่งอะไรอะ่ะ<ม>ใช่ไหมช่างหัวมันผู้เจบอกให้ละทิ้งคําเหล่านั้นไปเสียศึกษาแต่คตํา ต, ต่าคตกดผู้เจ้าตัดไว้เลยถามขอบพ <c oughs> รคุณเชิญเนาะท่านพระอาจารย์ครับท่านผู้เจ้าเนีมีมหาเป็นท่านเป็นมหาบุตรใช่ไหมคะท่านมีลักษณะพิเศษกว่าบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กล่าวว่าท่านมีสิ่ ง, งพิเศษเนี่ยเป็นความจริงหรือว่าท่านพูดเองคะ อ๋อพูดเองบรรจัตเองเรียกมหาบุริสคารลักษณะ32ประการนะมีบรรจัตไว้หมดนะเพราะนั้นอ่ฮะฉะนั้นจะถามว่าที่ว่ศศาศีรษะของท่านนลค่ะอาจจะเป็นไปได้ไหมค ะ, ะว่าจะมะีลักษณะที่เป็นวงเป็นเป็นก้นหอยะอะไรแบบนี้คะไม่มีไอ้พวกก้กนหอยที่แต่งเองเ อ, ง อ, ง อ, งองีกนะอ่ามีเรื่องแต่งเองเยอะอยู่นะเพราะนั้นไปดูในลักษณะมหาบุริษามสิบสองประการก็มไม่มี นะยมไล่ดูทุกข้อเลยไม่มีนะมีบางคนปรุงแต่งไปอีกว่ากะโหลกพูะเจ้าเป็นชั้นชั้นเจ็ดชั้นเลยเป็นมวยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมั่วไปอีกแลวเห็นไหมอ่ามันมีปรุงแต่งเยอะนะอ่าเห็นไหกลับเรียนพระอาจารย์ครับแล้วอย่างที่สังเวชนิยสถานนะครับสถานที่ประสูตรนะครับที่บอกว่าพระเจ้าพอประสูตรพุ๊แล้วเดินได้เจ็ดเก้ามีดอกโบมารองรับเนี่ยครับ อ๋อไปดูตรงนี้ได้ในพุทธประวัติจับพระโอษฐ์เนี่ยน ะ, ะที่เขารวบรวมเอาไว้เนี่ยการเดิน 7-9 ก้ามีแต่ 7-9 ก้าที่มีดอกโบรองรับไม่มีดอกโบรองรับพระเจ้าตัดเลยว่าฝ่าเท้าของพระองค์เนี่ยสัมผัสพื้นดินนะด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอน ะ, อะมีสเสวตฉาตเนี่ยกั้นรองอยู่นะมีเทวดามาทำให้เสร็จ มีท่อน้ําเย็นท่อน้ําร้อนนะของเทวดามาจัดการให้นะเทวดารับก่อนมนุษย์รับทีหลังมีบรรยายไว้หมดนะนี้ที่มีการตรวจพบนะฮะในที่สัมมิจิสานที่วัดอุปนีภพอผมเพิ่งกลับมานะครับเขบอกว่าในสระโบกขรณีเนี่ยนะฮะมีการลงไปพิสูจน์แล้วเนี่ยออืมันมีบ่อน้าร้อนนะฮะมีบ่อน้ําร้อนบ่อน้ําเย็นจริง วันนี้ก็กําลังกำลังจะทําเรื่องตรงนี้ขึ้นมาทีมงานที่ทางคุณหญิงสุดารักไปไปบูรณะสถานที่ประสูตรนะครับแล้วก็มีการลงไปสํำรวจที่สระโบขนนี้จริงจริงเนี่ยหลังจากขุดลงไปเนี่ยมันมีบ่อนแปลกที่อื่นก็ไม่มีตรงนั้นเนี่ยจะมีบ่อนน้ําร้อนบ่อนน้ําเย็นที่เกิดขึ้นตรงกับที่พระอาจารย์บอกว่าเออมันมีน้ําอุ่นมีน้ําน้ําเย็นเกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าประสูตรใช่เรื่องแปลกในโลกมีเยอะ อ <laughs> ย่างยงย ใ, ในเกาะในกลางแปซิฟิกเนี่ยปรากฏว่ามีมันมีตาน้ําปุดประจากใต้มหาสมุทรเป็นน้ําจืดสนิทชาวเกาะที่นั่นก็อาศัยน้ําจืดจากใต้ทะเลเนี่แหละกินเป็นนะใช้เป็นน้ําดื่อนะอย่างเนี้ย <laughs> พระอาจารย์ค่ะ uh huh. อ, อือปัจจุบันเนี้คนไทยอ่ะหรือว่าชาวผู้ชั่วโลกก็หานนิยมที่จะไปออสังเวชีตําบล น, นะคะอ uh huh. แล้วก็ที่โยมไปเนี่ยก็มักจะเห็น ชาวพุทธเนี่ยเป็นนั่งสวดมนต uh huh. ์หรือไปเดินจงกรมหรือว่าไปเวียนเทียนนะคะ uh huh. ก็เลยอยากทราบว่ามีมีพระสูตรไหนไหมคะที่พูดถึงว่าเวลาไปสังเวสีสถานเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไระะ uh huh. เพื่อให้ให้ผู้ที่เป็นชาวพุทธที่มีความตั้งใจที่จะไปแสวงบุญหรือว่าไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยะ่ะได้อา น, นิสงส์สูงสุดในการไปอากาะก็ค uh ือ huh. okay. การที่เราไปยังณนะตำบลที่พระองค์ได้ตัดสู่ลองลองไปดูที่พระองค์จัดไว้ว่าที่เนี้ยควรไปหรือไม่ควรไปมีจริงหรือเปล่าที่คณะทัวร์ทั้งหลายก็ชอบเอามาโปรโมทให้พวกเรานะนะไปดูประสูตร <c oughs> บอกดูก่อนอ น, อนนลสถานที่ที่ควรเห็นควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบล สีตำบลอะไรเล่าดูก่อ น, นน์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่คุณบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตประสูตรแล้วนะที่นี้หนึ่งนะว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะที่นี้หนึ่งนะว่าได้ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วนะที่นี้หนึ่งนะ พระตถาคตรประนิพพานด้วยอนุปาทิเศสนิพพานาธาตุแล้วนะที่นี่หนึ่งอนุ์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่คนหลุดผู้มีศรัทธามีสี่ตำบลเหล่านี้แหละนะอนุนภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจักพากันมาสู่สถานที่สี่ตำบลเหล่านี้ โดยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประสูตแล้วณที่นี่บ้างพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิ т านแล้วณที่นี้บ้างพ <c oughs> ระตถาคตได้ประกาศอนุตรตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี่บ้างพระตถาคตได้ประนิพนธ์ด้วยอนุปาทิเสสนิพนธ์ธาตุนที่นี่บ้างชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีสถานจักมีจิตเลื่อมใสทํากาละแล้วชนเหล่านั้นจักเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้นะเพราะองค์ตัดไปอยู่แต่จริงๆแล้วเราเข้าไปเนี่ยในพระสูตรอื่นยังมีอีกว่าคนทั้งหลายเนี่ยที่พากันมาสู่ที่นียจะมีแต่ความสงบนะแต่เดี๋ยวนี้เราไปนั่งทำเสียงอึกทึกคลืโคมกันให้เต็มไปหมดเลยนะอ่าก็เลยไม่สงบคือพระอานนท์เนี่ยก่อนปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์บอก ถามพระเจ้าว่าเนี่ยคงจะไม่ได้มีโอกาสเห็นภิกษุที่นั่งกันสงบนิ่งอย่างนี้อีกแล้วนะคงเห็นเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายพรุทธเจ้าบอกกรับนอนนท์ว่า อ, อนนท์เนี่ยภาพเนี้ยจะได้เห็นอีกนะถ้าภิกษุทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่สีตําบลเนี้ยภิกษุเนี่ยจะมีความสงบนิ่งมากนะมันจะเกิดความสลดสังเวชใจนะ ในศรัทธาที่เรามีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะ่ะได้เห็นสถานที่จริงได้เห็นบรรยากาศจริงนะและถ้าเราไปเนี่ยเราควรจะเอาพุทธวจนะไปอ่านไม่ใช่เอาคําแต่งใหม่ไปอ่านนะเพราะฉะนั้นเราเปิดพระไตรปิฎกนะอย่าไปอ่านคําแต่งใหม่อ่านพุทธวจนะเราไปสถานที่ที่พระองค์ประกาศพระธรรม นั่นไปเอาคําแต่งใหม่ไปพูดมันไม่ใช่ฐานนะบทสวดต่างๆที่เขาสวดเป็นบทสวดแต่งใหม่เยอะแยะมากเลยโยอหน้าที่เราเนี่ยคือเอาคําพระเจ้าเนี่ยไปสาธยายนะการสาธยายคาศาสดาการประกาศคาศาสดามีประโยชน์อะไรพูะเจ้าบอกเธอจะจัดเป็นรัตนห้แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกมีอะไรบ้าง 1. นึอรันตสัมมาสามพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคํำตตาคต 3. ผู้ที่รู้แจ้งในคํำตตาคต 4. ผู้ที่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในคําำตถาคต 5. ผู้มีความกตันอยู่กระตางเวทีนี่คือแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกดังนั้นถ้าโยมเป็นหนึ่งในผู้ที่ประกาศคํำตตาคตเชื่อมั่นว่าถ้าใครได้ยินคําศาสนาของเราแล้วหลุดพ้นได้พ้นทุกข์ได้ดีที่สุดเราจะประกาศคําของพระศาสนาของเรา เหมือนกับที่อาตมามาณนาวันนี้อาตมาก็ต้องทำหน้าที่ประกาศคำของตถาคตและสิ่งนั้นยังจะเป็นความตั้งมั่นของพระสัทธธรรมในข้อที่สภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวิ น, นัยทรงมัติกาต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดปอกสอนเนื้อความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อไปนะ ถ้าตมาไม่ถ่ายทอดคำตถาคตแล้วใครจะรู้จักคำตถาคตที่จะถ่ายทอดต่อไปมันจะหมดไงโยมโยมจะจำคำผิดประเพณีผิดวัฒนธรรมข้อวัดที่ผิดผิดไปไดเรื่อยๆนะพระองค์จัดไว้แล้วว่านี่คือความเจริญของาศาสนาในทั้งหมดสี่ข้อข้อที่หนึ่งคือบทบัญชนาต้องถูกความหมายถูกอธิบายกันมาถูกนะข้อที่สอง ตภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นข้อที่3ก็ให้ดูไปแล้วข้อที่4ีภิกษุที่เป็นเถระคือบวชนาน10ปีขึ้นไปต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในเขิตแห่งวิเวกธรรมต้องปารอความเปลี่ยนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิทิ์ที่ยังไม่บรรลุนี่คือสีข้อความเจริญพระสัตยธรรมนัยยะอื่นมีอีกเช่นการเจริญสติปัฐาน4อีกนัยยะหนึ่งคือการฉลาดในธรรมะสประการ ฉลาดในอายตนะอายตนะกุศลตาฉลาดในปฏิจจสุวาตปฏิจจสุปาทกุศลตานะจะทำให้พระสัทธธรมตังมันนะนั้นพระองค์เลยเตือนพวกเราทั้งหลายกับพระอนนทะ์บอกอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกาลยาณวัตนนี้มีในยุคแห่งบุตใดบุุษนั้นชื่อว่าบุุษคนสุดท้ายแห่งบุุษทั้งหลายบอกอานนท์เกี่ยวกับกาลยาณวัตนั้น เราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุตรพวกสุดท้ายของเราเลยนะนั้นเหมือนกับพระเจ้าขอรองไว้อย่าเป็นคนสุดท้ายนะในคําสอนของพรงนะองค์เพราะคําแต่งใหม่มันจะเกิดมาทดแทนทดแทนไปเรื่อยๆณนะวันนี้พิธีกรรมชื่อของสมาธนะิความหมายของสมาธิ หลักเกณฑ์เครื่องวัดอริยบุคคลนะสิ่งต่างๆ ป, งปลอมปนเข้ามาเยอะมากนะพิธีกรรมต่างๆมิจฉาอาชีวะเดรัจฉาวิชากลายเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทุกอย่างกับตาลปัดกันไปนะอ่าการเดินบินตาบาดของพระผู้เจ้าไม่ได้เคยอนุญาตการให้พรพระทุกวันนี้ให้พรกันใหญ่เลยนะการยืนแสดงธรรมผู้เจ้าห้ามเอาไว้ก็โดนอีกข้อหนึ่งแล้วนะอ่าเพราะนั้น ไม่ได้อนุญาตเอาไว้พระองค์บอกเรากล่าวการอนุโมทนาในที่ฉันในที่นั่งฉันนะ่ะให้กล่าวอนุโมทนาอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อภิกษุไม่ศึกษาพุทธวจนะก็เลยถ่ายทอดบอกสอนคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆพระองค์จึงตรัสพระสูตรว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคาตาคตเห็นไะห สุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกรอนอักษรสลักสร้อยเป็นชนะวิจิตรเธอกลับไปสนใจไปเงี่ยหูลงฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ทนควรศึกษาเล่าเรียนแต่สุดตันตะที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นลูกุศลเธอไม่ฟังบอกว่ายากบ้างอะไรบ้างยกผู้เจ้าสูงเกินคำผู้เจ้าเป็นเพลงทฤษฎีเชื่อได้อย่างไงว่าเป็นคำผู้เจ้าอะไรตอไ่ออะไร สรุปลักปฏิเสธอย่าไปอ่านคำพูดเจ้าอ่านคำอาจารย์ฉันดีกว่านี่แหละคือปัญหาโยมผู้ชาเห็นตั้งแต่ในครั้งุทตการแล้วก็บญญัติมาพร้อมแล้วนะนั้นพระองค์ตำหนิอีกในเรื่องของบริษัทที่ไม่ศึกษาคำตถาคตเธอจะเป็นบริษัทที่ไม่เลิศมีชื่อเรียกให้ด้วยว่าเป็นพวกอุ ก, กาจวินีตาปาริษาโนปฏิปุชาวินีตาโนนะอะคือไม่ไม่ศึกษาคำตถาคต ส่วนบริษัทที่เลิศคือบริษัทที่ศึกษาคำตถาคตเรียกว่าปฏิบูชาวินิตาปริสาโนอุกาจิวินีตาโนนะไม่ไม่ศึกษาคำที่คนแต่งใหม่หรือคำของสาวกนะหลักฐานทุกอย่างชัดเจนหมดและเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลก น, นั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าศาสนาเราจะได้เจริญจะได้ตั้งมัน่นและกุลบุตรลูกหลานของเราเยาวชนรุ่นหลังจะได้ รู้ข้อมูลที่ถูกต้องปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะาศาสนาจะได้มั่นคงและสืบทอดต่อๆกันไปนะเป็นอย่างนี้นักอาจารย์ค่ะขอ ข, อขอข้ออีก อ, อในส่วนของที่ไปสังเวสีสถานเนี่ยค่ะสี่ตำบล น, นะคะพอดีมีคําว่าสังเวสนะคะเพราะว่าอยากขอความขยายเพิ่มเติมเพราะว่าบางคนไปเขาอย่างสัญญาจะเน้นไปสวดมนต์เป็นหลั ก, กะอะฮะก็เลยอยากขอความกระจ่างตรงนี้ค่ะ ผมขอเป็นน้าร้อนได้ไหมนะเอ่อคำว่าสังเวชใช่ไหมก็คือ <c oughs> ความสลดสังเวชใจนะแหมอารมณ์นี้มันบรรยายยากเหมือนกันเนียมันสังเวชนะนะมันทั้งสลดทั้งสังเวช ท, ทั้งปิติทั้งแบบแหมปิติก็ปิตินะสังเวชก็สังเวชแบบโอ้โหพูดไม่ถูกเลยแล้วก็จะนิ่ง ไม่รู้จะทำอะไรนิ่งนะดังนั้นพิสูจน์ที่เข้าไปอยู่นาที่นั้นจะนิ่งสงบนิ่งหมดนะผูะ้เจ้าเรียกว่าอนุ์เนี่ยเธอจะเห็นภาพนี้อีกทีเนี่ยในสีต่ตำบล น, นี้แหละเวลาพิสูจนมาที่เนี่ยน ะ, ะจะเป็นอย่างนั้นนะเชิญ คือหนูก็ไปศรีสังเวียนกันนะคะ่ะแล้วก็ตอนที่ไปสถานที่ประสูตอนะคะ่ะตรงที่เกอบแก้วะคะ่ะจะมีรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเ อ, อ, อยู่รอยหนึ่งใช่ไหมคะเล็กๆอ่ะคะ่ะอ <c oughs> แต่มีรอยเดียว <c oughs> หนูก็เลยอยากทราบว่าเป็นของจริงหรือว่าเขาจําลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องรอยพระบาทไม่มีรอยพระบาทเป็นส่วนแห่งอัตถกถาแต่งขึ้นในภายหลังนะใน ฉบับสยามรัฐมี100ร้อยพันบาทแต่อยู่ในส่วนของคําแต่งขึ้นนะยมเคยได้ยินเรื่องไปโปรดเทวดาชั้นดาวดึงมะนี่แต่งขึ้นอีกตักบาทเทโวเคยได้ยินไหมนี่แต่งขึ้นพระอุปคุตเคยได้ยินไหมนี่แต่งขึ้นทุกอย่างมีในนี้หมดแต่อยู่ในคําที่แต่งขึ้นไม่ได้อยู่ในพุทธวจนะแม่ธรณี บ, บ, บีบมวยผมเพราะบอกผู้เจ้ากรวดน้ํามากี่ยุกีก่ยุกนี่ก็อยู่ในคําแต่งขึ้นนะเนี่ยพยอมแยกแยะ เรายมรู้หลักการว่าผู้เจ้าให้ฟังแต่คําตถ า, า, าคตรเรายมลองแยกดูสิข้อมูลมันจะชัดเลยว่าไอ้คําแต่งขึ้นมันจะเกาะกลุ่มกันอยู่ในคําแต่งขึ้นมันจะไม่หลุดมาอยู่ในพุทธวจนะนะเพราะผู้เจ้าไม่เคยตัดเรื่องนี้สักคําและแม่ของโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตน ะ, ะพราะแต่งงันผิดก็มีการแต่งเติมต่ออ๋อเทวดาไปนิมนต์จากชั้นดุสิตมาอยู่ดาวพฤหัสนั <c oughs> ก็ไหลไปเรื่อยนะอย่างนี้ เยอะนะข้อมูลผิดเยอะเราก็มีตักบาทเทโวกันเต็มเลยใช่ไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นที่เห็นที่ประสูตรก็คือเป็นของจำลองมาไม่ใช่เป็นของจริงใช่ไหมคะที่รอยเล็กๆที่ว่ามันไม่ใช่ไม่จำลองเยเพราะต้นฉบับไม่มีไงปรุงแต่ ง, ง, ตงอ่ พราะว่าวันที่หนูไปวันแรกใช่ไหมคะแต่หนูจะไปที่สาลที่ตัดสือ ก, ก่อนก็จะมีการแห่พระไตรปิฎกอะค่ะอ uh huh. แล้วก็มีนักหลวงก็จะมีพระหลายๆชาติมากมารวมกันนะคะหนูลองดูบทสวดของเขาค่ะคือถ้าชาติไหนพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะสื่อสารได้แต่ถ้าชาติไหนพูดไม่ได้นั่นก็สื่อสารกม่ได้ขนาดบทสวดไม่เหมือนกันเลยอะค่ะใช่อ่า แล้วก็เหมือนพทนทิเบกเขาก็เวลาไหว้ใช่ไหมคะ <c oughs> อย่างของเราก็ไปก็จะโสดแล้วก็เดินอิติบิโซแต่ของททิเบกเขาจะแบบลงทั้งตัวเลยค่ะแต่และชาติก็ไม่เหนื่อยเลยเรื่องกราบนี่ก็ได้ได้เช็คมาแล้วว่าการกราบเนี่ยไม่มียืนนะผู้เจ้าให้นั่งประโยคแต่นั่งประโยคก็ไม่ดูว่านั่งท่าไหนคือนั่งประโยคแต่ก็ไอ้ท่าที่เรานั่งอ่ะน่าจะเป็นท่าที่กราบได้สะดวกที่สุดแล้วนะ เ, เพราะยังไม่มีท่าไหนที่นั่งนั่งแล้วมากราบได้ได้สะดวกได้ดีเท่าท่านั่งคุกเข่า จะเป็นท่านั่งแน่นอนเพราะมีในวินัยว่าให้พระเนี่ยนั่งนะแล้วทําการอัญชลีหรืออภิวาสเช่นเนี่ยไทยยังจะจะเป็นอย่างนั้นไหมครับผมอย่างไไงน้องพระพมาเหมือนนั่ ง, ย, งยองๆครับอ่าไม่อ่ะนั่นนั่นคืออัญชลีไหว้แล้วน้องให้นั่ ง, ย, งยองๆแล้วกราบท่จนจะกริบท่ า, าไหน ตีลังกาแน่เลยครนะมันกราบไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติการกราบให้การว่าอัญชลีคือไหว้อภิวาสคือกราบใช่ไหมอ่าท่า น, นี้จะมีเรื่องของพรมกราบพรมอยากจะนั่งคุกเข่ากราบพระุทธเจ้ า, าจะจัดไว้แล้วทําการอภิวาทก็ยังงงอยู่ว่าพรมอภิวาสยังไงอาจจะหลังยาวกว่าปกติก็ได้ในก้งกราบได้อันนี้นก็เรื่องของพรมไปแต่มนุษย์เนี่ยเราพอจะเทียบเคียงกับตัวของเราเองได้ เรื่องของการวัด อ, อเชนเนี่ยขออนุ ญ, ญาตนะคะอขอกราบนมรสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนสอบคำถามคือหาในนเรื่องของสองข้อนะคะคําถา ม, มข้อที่หนึ่งคือว่าใน้ทราบว่าเหตุใดศาสนาพราหมณ์มจึงยังคงมีผู้นับถือจํานวนมากในอินเดียข้อที่สองนะคะเหตุใดศาสนาพุทธ จึงมีจำนวนผู้นับถือน้อยลงในอินเดียซึ่งเป็นที่กําเนิดของศาสนาหลายๆศาสนาค่ะเหตุเสื่อมไม่ได้อยู่ที่อินเดียหรืออยู่ในประเทศไหนอะไรผู้เจ้าบอกเหตุเสื่อมแล้ว <c oughs> เพราะไปศึกษาคาที่คนแต่งใหม่นั่นเหตุเสื่อมบทเป็นชนะผิดความหมายผิดอธิบายมาผิดยงไปอินเดียแล้วนะวันนี้ก็เป็นข้อมูลแต่งใหม่เห็นไหมต้นกําเนิดแต่ไปใช้ข้อมูลแต่งใหม่ ที่ไหนล่ะใช้ข้อมูลเดิมที่นั่นเจริญที่นั่นตั้งมัน่นใช่ไดังนั้นเหตุเสือ่อมเหตุเจริญพระเจ้าตรัดรไปแล้วนะเราไม่ดำลงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนของศาสด า, า, าเองภิกษุว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความรบหนักแน่นภิกษุที่ตามมาก็ผิดผิดิดิดิ ด, ด, ด, ดตามกันไปเรื่อยๆนะไม่ถ่ายทอดพุทธพจนะใช่ไในข้อที่สามภิกษุเทระเป็นผู้นาในทางสามนิเสื่อม ะจะอยู่ประเทศไหนก็ตามโยมเมื่อประเทศไทยจเจริญเหรอาศาสนาพุทธเราบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธที่เป็นศูนย์กลางาศาสนาของโลกแต่โยมไปหาหนังสือที่เป็นพุทธวัน์ในประเทศไทยมีไหมไม่มีโยมลองหายให้ดูหน่อยก็ได้เอาในกรุงเทพเนี่ยมีหนังสือด้านาศาสนาขายมากที่สุดสา0สี่ร้อยโ ห, หนังสือไม่มีหนังสือพุทธวัน์ หนังสือที่เป็นคําศาสนาของตัวเองไม่มีในประเทศไทยมีแต่หนังสืออาจารย์อาจารย์โน้นอาจารย์นี้อาจารย์นั้นเต็มไปหมดเลยหนังสือสาวกแต่ศาสนาตัวเองลืมไปแล้วหายไปไหนอ่ะศาสนาคุณนะ่ะไหนอยู่ตรงไหนนะถ้าธรรมาเป็นคนต่างประเทศมาถามในคําสอนศาสดาศาสนาของคุณนะ่ะนะเพราะสายคุณมันเยอะเหลือเกินผมไม่รู้จะปฏิบัติตามยังไงนะเวลายมคุยกันคุณสายไหนสายคุณปฏิบัติยังไงผมสายนี้คุณสายนั้นงงไปหมดนะ่ะ แล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดน <c oughs> oh. <iniz> ่ะว่าใครผิดใครถูกใครเกินใครขาดพุทธวจนะไงโยมแล้วพอยมจะหาพุทธวจนะหาไม่ได้ไม่รู้พูเจ้าพูดจริงๆพูดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาแล้วน่ะในประเด็นข้อแรกของโยมอะไรนะเหตุในศาสนาพราหม์จึงยังคงมีผู้นับถือจำนวนมากในอินเดียค่ะโหศาสนาที่มันมีนับถือกันอยู่เนี่ยนะมันขึ้นขึ้นลงลงแล้วนะ ศาสนาที่เขายังมีการนับถือกันอยู่ได้ผู้เจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ยมีการสอนเหมือนผู้เจ้าอยู่สามแบบนะเขาจะสอนเรื่องกามุ ป, ปาทานนะการถอนอุ ป, ปทานในเรื่องของกรรมเขาจะสอนเรื่องทิฏฐุปาทานการถอนอุ ป, ปทานในเรื่องของความเห็นและอันที่สมเขาจะมีการสอนเรื่องสีลประตู ป, ป, ปาทาน การถอนอุปทานในสิงพรตนะข้อปฏิบัติในกายวาจานะแต่จะไม่มีศาสนาใดลทัทธิใดที่สอนเรื่องอั ต, ตาวาทุ ป, ปาทานการถอนอุปทานจากความเป็นตัวตนจะมีแต่คำสอนของตถาคตผู้เดียวดังนั้นความดีสามอย่างที่เขาสอนเหมือนตถาคตเนี่ยทาให้จะมีคนนับถือเคารพสักการะบูชาเขาอยู่นะดังนั้น เจ้าลทัทธิบางพวกก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็ามีเทวดาตนหนึ่งมาฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจ้าบอก อ, น, อนุนเทวดาคนนี้เป็นเจ้าลทัทธิอื่นมาก่อนนะนั้นผู้เจ้าจะบัญญัติทุกเรื่องโยมนะมีหนังสืออันนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยจะออกนะอีกไม่กี่วันจะออกมาให้เรานะหนังสือภพภูม นี่เป็นครั้งแรกนะในประเทศและในโลกก็ว่าได้ที่เราได้รวบรวมนะความจริงนะที่ออกจากปากพระศาสดาเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิโยมฟังสาวกพูดมามากแล้วคนนั้นไปเห็นนรกเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้อสุรกายเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าเห็นว่าอย่างไรเคยรู้จริงๆบ้างไหมโยงเคยรู้ว่าโอ้เปรตต้องตัวสูงสูงใหญ่ใหญ่ผูเจ้าตัดว่าอย่างไง เป็นชิ้นเนื้อลอยไปในอากาศเป็นโครงกระดูกลอยไปในอากาศมาฟันตถาคตเห็นมั่งสินะสาวกมันเห็นกันเยอะแล้วเองมันจริงหรือเปล่าปรุมแต่งเองหรือเปล่านะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นการเปิดเผยความจริงครั้งแรกนะซึ่งจริงๆก็คือข้อมูลในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัต น, นะอ่าดึงมาจากตัวนี้เก่าที่สุดในโลกรวบรวมมาเฉพาะในเรื่องของภพภูมิและไอ้ที่โยมเคยรู้ว่า3ามบภพภูมิมันไม่ใช่ มันปรุงแต่งจริงๆพบภูมิมันเยอะกว่านั้นอีกมากมายนะ เ, <c oughs> เราจะทำเป็นผังไว้ให้หมดแต่ตรงนี้ก็คือพระสูตรที่อยู่ตามในผังในผังจะขึ้นไว้ให้แล้วในเว็บนะถ้าโยมไปเข้าเว็บไซต์ของวัดนาคพงษ์โยมก็จะได้เจอผังของพบภูมินะโยมเคยได้ยินคาว่าคนทันหม <c oughs> นึกถึงคนทันต้องนึกถึงอะไรดนตรีดีต้องแตง้งต้องเตง้งใช่ไหมอ่า แต่จริงๆเราไม่เกี่ยวเลยคนทันคืออะไรคนทันคือพระเจ้าบอกเทวดานับนึ่งในหมู่คนทันคือพวกที่อาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่นะอ่ากลายเป็นเรารู้จักในนามของลุกเทวดาใช่ไหมอ่าไปอีกอย่างลนะนะแตนี้ <c oughs> คนทันเนี่ยพราะอาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่เนี่ยเราก็เคยได้ยินมาว่าต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ๆ ใ, ใช่ไหมอ่าไอ้พวกต้น มะ ก, กูดกะเพากะเพ ร, เพรอะไรคงไม่มีแล้วมนะั้งแต่จริงๆแล้วเทวดาที่อาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่เขาอาศัยต้นไม้อะไรอาศัยต้นไม้ที่มีกลิ่นนะมีกลิ่นที่ใบมีกลิ่นที่รากมีกลิ่นที่ดอกมีกลิ่นที่กนันนะก็พีเปลือกอะไรอย่างนี้ผู้เช่าจะบัญญัติไปหมดนะแล้ะยมเคยเด็กๆเคยนึกไว้เท้เทวดาบนเมฆมันมีไหม นี่ว่าเฮ้บทไม่มันมีเทวดาหรือครับก็ปรากฏว่าพระเจ้าจัดเรื่องของวลาหกนะเทวดาที่นับเนื่องในหมู่วลาหกนะจิตละลึกถึงตรงนั้นไปเกิดได้อีกนะดังนั้นทุกจุดเลยที่เป็นรูปธาตุเนี่ยมันเป็นที่เกิดได้หมดเลยโยมนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาจิตฝังลงไปในเรื่องใดเพราะองค์จึงจัดว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใด หรืออีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญ ง, งอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบเกิดแล้วนั่นนั่นและนะและย่อมจะได้ทราบว่าคาว่าพบเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปธาตุแตกทาลายแล้วไปเปลี่ยนรูปธาตุใหม่พบเนี่ยมันมีต้งสี่อย่างนะ ในส่วนของรูปเวทนาสัญญาสังขารรุ่นเป็นภพหมดซึ่งผู้เจ้าเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาจิตโยมไปรับรู้บอารมณ์เรียกว่ามีภพนะอ่าสี่ก้อนใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะหรือแบ่งภพเป็นสามกลุ่มกามภพรูปภพอารูปภพอย่างนี้นะภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชพระองค์ยังเทียบอีกว่า คำเปรียบเหมือนขืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชดังนั้นแม้อุปมาก็อย่าไปเปลีป่ยนของผู้เจ้านะอย่าไปสร้างอุปมาใหม่เพราะอุปมาของผู้เจ้าลิงก์กันหมดนะคํำผู้เจ้าเมื่อโยมอ่านแล้วจะเห็นว่ามีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบผู้เจ้าจึงเรียกคำของพระองค์ว่าระเบียบแห่งถ้อยคําเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละเป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาโยมเห็นว่าผู้เจ้าพูดซ้ำซํำๆๆนะ อย่าคลึงลาคาญมีความหมายหมดดึงตรงนี้ออกนิดหนึ่งใส่ตรงนี้เข้าไปดึงตรงนี้ออกนิดมันมีความหมายหมดอยู่อย่างการที่สมณะเข้าบ้านเนี่ยแล้วโยมทําการต้อนรับลุกลับกลาบไหว้หรือไม่มีผลหมดเลยนะเทวดาเข้ามาพูดกับพระเจ้าเทวดาเข้ามาหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาก็มาบอกพระเจ้าข้าพระองค์เนี่ยเมื่อสมัยเกิดเป็นมนุษย์สมณะเข้าบ้านข้าพระองค์ลุกลับแต่ไม่กลับไหวไม่ให้อาสนะ ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกำลังก็เลยมาเกิดเป็นหมู่เทวดาชั้นเลวนี่เห็นไหมอีกพวกหนึ่งเขาก็มาประกาศอุปกรรมของเขาบ้างบอกข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพรองค์สมัยเป็นมนุษย์นะสมณะเข้าบ้านลุกลับกราบไหว้แต่ไม่ให้ไมอสนานะนะก็ไปเกิดหมู่เทวดาชั้นเลวเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เราเจอหมดโยมเราเข้าไปในบ้านญาติโยมบางคนเขาลุกลับบางคนไม่ไหวบางคนไหว้แต่ไม่เชิญ น, นั่งนะปล่อยยืนไป บางคนเชิญนั่งแต่ไม่มาฟังธรรมนะบางคนมาฟังธรรมแต่ไม่จำบางคนจำแต่ไมเอาไปไข้ควรบางคนจำไข้ควรแต่ไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติทุกสเตปนี้มีความหมายหมดจนกระทั่งสเตปที่นำเอาไปประพฤติปฏิบัตินั้นจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นประณีตนะอ่เป็นอย่างนี้การให้ทานอีกเหมือนกันนะ โยมจะได้ทราบว่าการให้ฐานต้องวางจิตอย่างไรนะใครวางจิตแบบไหนเนยะปรับตัวซะนะพออ่านแล้วเนะี่โอ้โหนะอ่านไปดูอันแรกพระเจ้าบอกว่าอย่างไงไอ้ผู้ที่ได้เวลาชั้นต่ําสุดเลยนะจาตุกมหาราชิกะวางจิตอย่างไงนะบอกสารีบุตรภาษารืบุตรถามนะบุคคลบางคนในโลกนี้บอกสารีบุตร ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสังสมให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจัดได้เสวยผลของทานนี้แหมเหมือนไหมนะตรงเลยนะเขาจึงให้ทานคือข้าวน้าผ้าของหอมดอกไม้เครื่องลูปไม้ที่นอนที่อยู่อาศัยประเครื่องตามประทีบแก่สมณะหรือพราม เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหาจาตุมหาราชิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่พวกนี้ได้ผลมากแต่ไม่มีอา น, นิสงส์มากนะอะ่พวกมีผลมากไม่มีอา น, นิสงส์มากแบบอื่นมีอีกไหมมี <c oughs> บอกสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่หวังผลไม่เอาละเปลี่ยนความคิดใหม่ไม่หวังผลละนะให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจะได้สวยผลของทานนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีพวกนี้ขยับขึ้นมาเป็นชั้นดาวดึงก์อีกพวกไม่คิดอย่างสองแบบแต่คิดว่า <c oughs> ปู่ย่าป้าู่ย่าตายายเนี่ยเคยให้ทานมาเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีไปก็เลยให้ทานนะอ่าพวกนี้ขยับมาเป็นเทวดาเหล่าชั้นยามานะอีกพวกหนึ่งบอกว่าสมณะเนี่ยไม่หุงหากินแต่เราเนี่ยหุงหากินนะการจะไม่ให้ทานเนี่ยไม่สมควรเขาจึงให้ทานคือข้าวนาผ้าพวกนี้จะเป็นเทวดาชั้นดุสิตอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะบอกสมณะ ไม่หุงหากินเ่าหุงหากินนะแต่ให้เพราะว่าเออเหมือนกับพวกฤาษีครั้งก่อนๆที่เขาเคยให้มาพวกนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นเทวดาเหล่ามินมานารดีนะอีกพวกหนึ่งให้ทานเพื่อให้เกิดปิติใจความสุขใจนะนี่ขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่พวกดีที่สุดคืออะไรนะพวกดีที่สุดคือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะพวกนี้จะไปเกิดเป็น สหายแห่งเทวดาเหล่าพรห ม, มกายิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้หลุดพ้นจากสังสวัสดได้เป็นอริบุคคลนะดังนั้นการให้ทานนั้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของโสรบันเหมือนกันตัดไว้กับช่างไม้ลักษณะให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตต้องให้อย่างนี้คือ เป็นผู้มีจ่าค้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้โคลนแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนโยมอยู่คลองเรือนโยมก็เป็นโสดาบันได้นะตัดไว้กับช่างไม้นะเพราะฉนั้น <c oughs> ประสูตยที่ตัดไว้กับช่างไม้นะพระองค์ตัดไว้อย่างไรมีทำสี่ประการนะ มีทานการให้มีความเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวันว่นไหวนะสี่ข้อนี้ให้พยากรตนและตนนั้นเลย ว, ว่าเป็นโซดาบันแล้วนะอ่าอย่างนี้มีไหกับช่างไม้นะนั้นเรื่องทานก็เป็นแง่มุมอีกกันหนึ่งและการให้ทานที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นนะ ขยบขึ้นมาเป็นทานอะไรคือการรักษาศินเป็นมหาทานชั้นเลิศโยมไม่มีตังเลยสักบาทใช่ไหมจะให้ทานยังไง ร, รักษาศินซะสบายๆมีอั น, นิสง์มากกว่าการให้ทานแก่พลลระละหันเป็นร้อยลูกนะนั้นหยิบเอาของง่ายๆทําก่อนก็ได้แต่ถ้าโยมได้นั่งสมาธินะถ้าโยมได้นั่งสมาธิมีอั น, นิสงมากกว่าการรักษาสินเป็นร้อยเท่า นะมหาสาลนะแค่ชั่วรับนิ้วมือเดียวก็ยังได้นะนะอ่าเพราะนั้นทานของพระโสดาบันนะจำดีดีนะนะทำสี่ประการนะมีทานมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโสดาบันแล้วนะอยว่างพรารย์น ะ, นะ เ, นะนะเนื่องจากว่ามันเป็นกระแสสังคมก็เลยมีคำถามถาม พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไม่ให้สาวกแสดงฤทธิ์ uh huh. แล้วก็ในการเทศโดยอิงพุทธประวัติหลายๆหลายๆวัดเนี่ยท่านก็จะบอกว่าอ่าห้ามสาวกแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงฤทธิ์บ้างเหตุผลพระพเจ้ามีเหตุผลค่ะแต่ว่าสิ่งที่กระแสสังคมขนาดเนี้ยคือเรื่องพุทธธรรนาย ก็เลยอยากทราบว่ า, าพระพุทธเจ้าท่านได้ทำนายไว้เป็นอย่างนั้นหรือไม่ที่เชื่อกันว่าโลกจะแตกหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่เคยฟังมาเนี่ยก็คือท่านเคยทำนายพระสุบินของอพระเจ้าประเซนติโกศนเท่าที่เคยฟังในพุทธประวัตินะคะ อ, อ, อันนั้นเรื่องเรื่องของไม่รินทะบัญหาเรื่องพระสุบินอะไนี้อันนี้ แต่งใหม่อยู่มาก่าสมควรนะอ่าต้องวางไว้ก่อนนะพระเจ้าพยากรณ์เกี่ยวกับการสิ้นโลกไหมพยากรณ์อยู่แต่ไม่ใช่สองศูนย์หนึ่งสองอีกหลายแสนปีนะพระองค์บอกว่าอีกหลายแสนปีจะเกิดยุคฝนแรงนะพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยจะตายแทบหมดทั้งโลกนะ และอีกการนานไกลจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏ้วยหนองของบึงจะเกิดแห้งและอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะ ป, ปรากฏนะ holes. แม่น้ำเจะอเกิดแหง้งอีกการนานไกลเลยหลายแสนปีแน่นอนแต่ละครั้งนี่กว่าดวงอาทิตย์แต่ละดวงจะปรากฏอีกการนานไกลมามหาสาต้นน้ำของแม่น้ำเจะอเกิดแหง้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์น่ะ ดวงที่ห้าปรากฏนะทะเลจะเกิดแห้งอีกการนานใกลดวงที่ดวงที่หกปรากฏมหาปัตตพีจะละอุเป็นควันนะและอีกการนานใครด ว, ดวงที่ดวงที่เจ็ดจะปรากฏมหาปัตตพีจะละลายและผู้เจ้าเนี่ยจะน้อมกลับมาที่ว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่จะเบื่อนหน่ายในสังขารทั้งปวงน ะ, อะพอแล้วที่จะ ลอยวางพอแล้วที่จะหลืดพลนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเลยใครเล่าจะคิดว่ามหาปัตตพยัญญ่ลวงนี้จะละลายไปได้นอกจากผู้มีบทนเห็นแล้วนะนั้นเนี่ยคือความเป็นอนิจจังของโลกนะเกิดตายหลายรอบนะ <laughs> <laughs> ยังไม่เจอง่ายนะ พระอาจารย์คะน้องโยมที่ถามเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับว่าทำไมคนนับถือพามมากขึ้นนะคะ่ะเอในความเห็นโยมโยมคิดว่าเป็นเพราะความนับถือจะเป็นเพราะกิเลสตัณหาและความหลงเปล่าค่ะที่ที่ที่โยมพูดว่ากิเลสตัณหาคือคนที่นับถือ<ช>พามเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกอยากรวยอยากอธิษฐานของนู่นของนี้แล้วคิดว่ามันจะได้ตามนั้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ความหลงที่คิดว่าเออถ้าหากว่า เ อ, อขอแล้วเนี่ยมันจะได้ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นผลกรรมดีที่จังหวะนั้นกรรมันปรากฏผลที่คุณจะได้บังเอื้อนคุณก็ไปไหว้พามแล้วมันก็ได้สิ่งที่ขอแล้วก็เลยคิดว่าเอออันนี้นะมันเป็นการอาธิษฐานอ่โยมคิดว่าเป็นอย่างนั่ก็ส่วนหนึ่งนะนั่นก็ส่ว น, น, นหนึ่งเพราะว่าคนหลงเนี่ยมีเยอะนะเอ่อ พุทเจ้าบอกเลยว่ามนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความโกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรูปพเจดีย์บ้างเป็นสลาณะนั่นไม่ใช่สลาณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเข้าอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วนี่ไม่อาจหลุดพ้นไปได้และถ้าลัทธิการอ้อนวอนมันสําเร็จจริงพุทเจ้าบอกโตวาทากับพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นใครเล่าในโลกจะเสื่อมจากอะไรได้ก็ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมด นะแล้วจะตอบอยังไงสนมภาระเหล่านั้นจะตอบอยังไงนะถ้าคุณออนวอนแล้วคุณสำเร็จใครก็อ่อนวอนเป็นทุกคนก็ออนวอนขอร้อยล้านนะรวยหมดเลยไม่มีใครจนในประเทศนะทุกคนจะหลีกออกจากหลักของกรรมทุกคนจะไม่ประพฤติกรรมดีทางกายวาจาจิตแล้วเขาจะหลุดออกจากสมาธินะเข้าใจเรื่องกรรมผิ ด, ผด ทั้งที่ผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะการกระทําทางกายวาจาจิตของเขาเป็นเหตุเกิดและเป็นความดับและเป็นเรื่องของกรรมโดยเฉพาะเขาจะไม่มีทางเข้าใจในเรื่องกรรมได้เลยนะกับอีกพวกหนึ่งพวกที่ว่าพระเจ้าบันดาลทุกอย่าง <c oughs> นะอีศวนบันดาลพรบันดาล น, นะสิ่งนั้นสิ่งนี้บันดาลผู้เจ้าโตว่าอย่างไรบอกถ้าพระเจ้าเธอบันดาลทุกอย่างนะเวลาเธอไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมนะ พระเจ้าเธอก็ไม่ดีสนะิพระเจ้าเธอใช้ใเธอไปทำนะพระเจ้าเธอบันดาลในสิ่งที่ไม่ดี น, ะนั้นพรามคนนั้นก็ตอบไม่ได้โยมจะตอบอยังไงนะนั้นเขาโต้วาทากันมาหมดแล้วโยมเนี่ยต้องเข้าไปศึกษานะการโต้ความเห็นในสมัยก่อนพราะพระเจ้าเนี่ยมองเห็นความคิดเห็นของมนุษย์เนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีหกสิบสองแบบบัญญัติไม่หมดมนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกิด น, นี้ นะคิดอะไรบ้างมีบัญญัติไมหมดบอกวิธีแก้ไมหมดนะรมคิดอะไรเทวดาคิดอะไรเดลสานคิดอะไรนะนี่คือความเป็นสัพพญยุของท่านนะนั้นไม่มีความเห็นอะไรในโลกที่พระเจ้าไม่ได้ตอบออไปตอบไปหมดเพียงแต่เราหาไม่เจอน ะ, อะต้องสืบพ้นให้เจอกันนั่นเองนะค่อยๆแกะไปทีละเรื่องสองเรื่องนะอันนี้เราก็แกะมาได้พอสมควรแล้ ว, วใช่ไหม <laughs> ครับไม่ทราบมีคําถามเลยนะครับขอเป็นคำถามสุดท้ายได้ค่ะขอคําถามสุดท้ายอยากทราบกับใช่ใชใค่ะสุดท้ายสองาจจะเชื่อมโยงกันก็ไดนะ้ขออนุญาตค่ ะ, คะ อ, อ, อยากจะเรียนถามว่าสมัยพระธเจ้าเนี่ยได้พูด <c oughs> บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไหมคะพรพสงฆ์กับการพัฒนาสังคม สังคมมันจะพัฒนาได้ก็เพราะมนุษย์มันดีมนุษย์มันดีได้ก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยละกิเลสได้มนุษย์จะละกิเลสได้ก็เพราะได้ยินได้ฟังคําตถาคตพระก็มีหน้าที่แต่บอกสอนถ่ายทอดคําตถาคตไม่มีหน้าที่ไปพัฒนาอะไรโยมภิกษุขเข้าถึงอาชีพอะไรอาชีพอะไรขอทานไปดูพระสูตรนี้นะแล้วจะไปขอทานจะไปพัฒนาอะไรโยมนะหน้าที่พระเนี่ย เก่งคำพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็ถ่ายทอดคําตถาคตบุคคลผู้ฟังคําตถาคตพัฒนาตนเองไดนะ้นั่นแหละสังคมดีเองโยมเราไม่รู้หรอกว่าการพัฒนาสังคมที่ดีที่สุดคือการพัฒนามนุษย์และพัฒนามนุษย์ต้องพัฒนาที่จิตและคนที่ฉลาดในเรื่องจิตมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านะละกิเลสให้ได้ทุกอย่างดีหมดนะเพราะฉะนั้นพระเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานโยม ดูก่อนพิสูุทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถิดดังนี้นะดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายคุรบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้โอ้โหโดนไปเต็มเต็มเลยมยนี่อาชีพขอทานเป็นผู้เป็นไปนาอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัน ไม่ใช่เป็นคนขอให้จนปล่อยตัวไปบวดไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชอีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยที่คิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกย่างเอาแล้วโดยชาติชรามรณะนี่ต่างหากที่เป็นเหตุผลให้เข้าบวช <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นต้องปรับใหม่นะความเจริญของสังคมทำอย่างไรนะผู้ช่าตัดไปแล้ว นะธรรมะ3ประการถ้าเธอละได้และทําธรรมะสมประการให้เกิดขึ้นสังคมนั้นจะมีการมองดูกันและกันด้วยแสตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุดน้ํานมกับน้นํา 1. เธอต้องละความคิดในทางกาม2พยาบาท3มเบียนเบียนะและทำทำา3ประการให้มากคือเนคขมวิตกลีกออกจากกรามลีกออกจากพยาบาทและลีกออกจากเปลี่ยน นะละทำ3ามประการแล้วเจริญทำสา3ประกา ร, ร, ร, การสังคมดีแน่นอนความสามัคคีจะเกิดสูงสุดนะพระเจ้าชาติศัตรูจะไปตีเมืองวัดชีนะถามว่าจะตีแตกไหมผู้เจ้าถามอนนท์อนนท์เจ้าวัดชีเนี่ยยังตั้งอยู่ในวัดชีทำเจประการไหม อ, อนนท์บอกตั้งอยู่ตราบใดที่วัดชีนะเจ้าวัดชีตั้งอยู่ในวัดชีทำเจประการไม่มีเมืองใดตีเมืองวัชีแตกเห็นนะม โยมเก็บประเด็นของผู้เช้าสิเขาทําอะไรประชุมกันนึงนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอ ย, อยู่เพียงนั้นเมื่อมีกิจเนี่ยเริ่มทําพร้อมกันเลิกเลิกประชุมพร้อมกันเลิกทํากิจพร้อมกันพร้อมเพลงกันทําพร้อมเพียงกันเลิกโยมดูประชุมสภานะพร้อมเพียงกันประชุมไหมพร้อมเพียงกัน เ, นเลิกไหมและถ้าโยมเห็นประเทศไหนเนี่ยเข้าพรึบออกพรึบ ยมเห็นได้เลยไหมว่าประเทศเข้าสามัคคีไหมโอ้โหเหนียวแน่นแค่เห็นภาพก็กลัวแล้วอย่าไปตีเลยเมืองนี้มันเหนียวแน่นมากใช่ไม้มนี่อย่างนี้ต่างหากเข้าใจไหมทำที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมอปริหานิยธรรมผู้ชอบบัญญัติไว้แล้วยมหยิบธรรมะพวกนี้แหละมาและแก้ปัญหาการทะเลาะเบาแหวงของสังคมนะด้วยการละเหตุปัจจัยของการทะเลาะเบาแหวง <c oughs> คืออะไร จอมเทพมาถามพระตถาคตบอกว่าทําไมยักษ์หน้าคนทันอสูรเทวดามันทะเลาะ ก, กันทั่วโลกธาตุเลยมันไม่ใช่แต่มนุษย์นะโยมอยาเห็นว่ามนุษย์ทะเลาะ ก, กันอย่างเดียวเทวดาก็ทะเลาะ ก, กันลบลาข้าฟันกันนะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยจอมเทพถามพระุทธเจ้าบอกว่าอิจฉาและตรณีอิจฉาและมัจฉริยะนั่นเองอิจฉาคือความอิจฉามัจฉริยะคือความตรณีนะจอมเทพถามต่อไปว่า แล้วอิจฉาและตะนีมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรัตถาคตบอกว่าเพราะสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักรักอะไรไม่รักอะไ ร, ไะไรเดี๋ยวเธอจะอิจฉากันจะตะนีกันแล้วแล้วการทะเลาะจะเกิดขึ้นโยมละเหตุของมันทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าเหตุ ด, ดับทานั้นจะดับด้วยนะโยมอยากเจริญสร้างเหตุถูกนะไม่อยากทะเลาะมาสร้างเหตุตรงนี้นะอยากสวยรวยสูงศักทำยังไง ผู้เจ้าบอกเลยตัดกับพระนางมาริกานะอยากสวยทํำยังไงผู้หญิงต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระทัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธและความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏทํายากไหมยากนะโอ้โหนะไม่ง่ายนะนะยากรวยทํำยังไงนะ เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของห อ, อมเครื่องลูกปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทิปความไฟแก่สำนักวิปราสแต่ละคำมีความหมายหมดนะยังโยมไม่ได้ให้แก่สำนักพรามณ์ให้แก่สัตว์ให้กับปุถุชนที่ทุศิล์ให้กับปุถุชนผู้มีศีลให้แกบปุถุชนผู้ปราศจากกรรมให้แก่ราษรยะมีผลแตกต่างกันเป็นลําดับไปหมดนะโยมบอกโอ้โหทําบุญเยอะเลยแต่ให้กับใครให้กับคนธรรมดานะ ผู้เจ้าเคยทํามาแล้วพระองค์รวยมากแจกถาดเงินถาดทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันน่ะนึกว่าได้มหาทานชั้นเลิศบอกว่าเราวนั้นไม่มีทักือเนยยบุคคลมาเป็นผู้รับทานเลยสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวยังไม่ได้โอ้โหพระองค์เลยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าให้ทานกับพระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระสกท า, าคามีองค์เดียวไม่ได้ตัวคุณธรรมสําคัญมากน่ะ ไล่เลียงไปจนถึงพระลหันร้อยองค์นะให้กับพระลหันร้อยก็สู้สร้างกุฏิครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิร้อยก็สู้รักษาศีลไม่ได้รักษาศีลร้อก็สู้นั่งสมาธิไม่ได้เลือกเอาเองนะชอบแบบไหนนะนะพระองค์ปัญจัติไว้ให้หมดแล้วนะนั้นนี่แหละนะเหตุปัจจัยทุกอย่างโยม อ, อยากจเจริญทางโลกกลับไปหาพุทธวจนะนะสอนคนด้วยพุทธวจนะ ให้เขาจำไปก่อนอ่านไปศึกษาไปประถมรมเล่มเดียวก็ได้นะรวบรวมธรรมะทั้งฝ่ายคารวาสนะและการหลุดพ้นไว้ให้แล้วอยากจเจริญอาณาปนานสติ32ประสูตรทั้งชีวิตที่ผู้เจ้าตร์รวมไว้ให้แล้วในเล่ม น, นี้นะอยากได้มรรควิธีง่ายๆรวมไว้ให้แล้วทุกสำนักบอกง่ายหมดเลยแต่ง่ายตามความเห็นผู้เจ้าปัา่นะบางสำนักก็ปรุงแต่งขึ้น นะอาจารย์ตัวเองคิดขึ้นก็เอามาสอนกันแผร่ไพศารไปทั่วนะแต่ผู้เจ้าไม่เคยสอนนะเยอะแยะเลยนะตรวจได้นะอยากเป็นคารวะชั้นเลิศรวมไว้ให้แล้วในนี้หากินเป็นธรรมไม่เคียดครัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มนําแบ่งปันภพอุปซับความเป็นบุญไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสาะตอกบริโภคภพอุปซับเหล่านั้นสี่ฐานะอยู่ด้านหลังนะ แค่นี้เองคารวาชัเลิศแล้วอยากแก้กรรมอยากหมดกรรมมีเวนมีกรรมกันมากนะอ่านหนังสือเล่ม น, นี้วันนี้เอามาแจกให้พวกเราด้วยจะได้หมดเวนหมดกรรมกันสักทีนะแก้กรรมน ะ, อ, ะ <c oughs> อยากสาธยายธรรมตัวนี้นะสาหรับผู้ใหม่ก้าย่างตามรอยธรรมตรงนี้นะมีให้ครบหมดเลยเ <c oughs> คี้ยวกลืนด้วยนะอย่าลืมนะกลัวจังเลยเนี่ย นะอธิยมตามข้อตกลงเซ็นครับก็ไม่ออกไหมเออคนจริงมันพวกเรายังมีคำถามอยากสนทนากับอาจารย์อีกเยอะนะครับก็ยังยังไม่ใช่เป็นครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะอันนี้เป็นแค่อารมณพบทนะที่จะชี้ทางให้พวกเรา นะครับที่จะเดินตามนะครับอยากจะ เ, เรียนตรงนี้ว่านังสือที่พระอาจารย์เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้ทั้ง1ิเล่มนะครับเป็นสื่อที่ทางวัดเนี่ยพิมพ์แจกเป็นทานสำหรับคนที่สนใจนะครับแล้วในวันนี้เองเนี่ยนะฮะก็อยากจะพูดส3สมเรื่องก็คือว่าเรื่องที่1เนี่ยที่วัดนาป่าพงที่คลองสิทธิ์นะครับจะมีการฟังธรรม ทุกวันตั้งแต่8โมงถึง9โมงนะแล้วก็ 11- บเอถึง13บสมนเนะครับในวันเสาร์เนี่ยก็จะมีเพิ่มนะครับนอกจาก8ถึง9กแล้วก็จะมีสศษถึง13แล้วก็จะมีตอนกลางคืนนะครับตอนทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยก็จะเป็นการสนทนาธรรมแล้วก็ตอบปัญหานะครับพวกเรายังมี เอาเวลาที่จะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับสาหรับท่านที่เดินทางไม่สะดวกนี่นะครับที่พระอาจารย์บอกว่าเราสามารถจะเปิดเว็บไซต์นะครับเปิดไปที่คําง่ายๆเลยวัดนาป่าพงนะครับหรือว่าพระอาจารย์คึกฤิเนี่ยนะมันก็จะมีลิงก์ไปเลยนะครับว่าไปแล้วก็จะมีคลิกให้าว่ามีเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็คลิกไปก็จะมีถ่ายทอดสดทุกครั้งที่ตามเวลาตรงนี้นะครับ อ, อ, อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ที่พระอาจารย์พูดถึงก็คือเรื่องของหนังสือปกภูมินะครับเล่มดีนะฮะเป็นหนังสือที่ตอนนี้หลายๆท่านนะครับก็ปรารถนาตัวที่จะพิมพ์ถวายนะพิมพ์ถวายเพราะว่าพระอาจารย์ไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีของมาแจกในวันนี้พระอาจารย์ก็นำมาตัวอย่างมาให้เรานะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้รับจากพระอาจารย์นะครับเพื่อที่จะเป็นคามั่นสัญญา วารับไปแล้วเนี่จะไปเคี้ยวจะไป <c oughs> จะไปอ่านนะครับแล้วก็จะไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่วัดนาป่าผมด้วยนะครับเออ <c oughs> ก็ผมก็ตั้งจิตภาวนาตรงนี้ที่จะขอเป็นศูนย์การที่จะรวบรวมพวกเรานะครับในวันนี้แล้วก็พวกที่อยู่ในที่มีธรรมะในใจนะครับ <c oughs> ก็แสดงออกมาว่าเราจะร่วมพิมพ์ถวาย ให้กับพระอาจารย์เพื่อจะนำไปเป็นทานที่จะแจกกับคนอื่นต่อไปนะครับเออเออตอนนี้เนี่ยครับถ้าเราพิมพ์มืดเล่นเนี่ยจะเล่นละประมาณห้าสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวลงชื่อไว้ที่ที่น้องส้มที่เป็นเลขาผมนะครับเราจะรวบรวมกันให้ให้ได้ตรงเนี้ยให้ได้หนึ่งหมื่นเล่ม เ, เล่นพกภูมฮะเล่นที่จะพิมพใหม่นะครับเล่นจะพิมพใหม่ เล่อนี้แต่ว่าจะพิมพ์ลงเท่ากับเล่มขนาดนี้นะครับอาจจะหนาที่หน้ายังขึ้นอยู่กับต้นฉบับนะครับเราเราเราปราวนาว่าเราจะรวบรวมให้ได้หนึ่งหมื่นเล่มเพื่อจะพิมพ์ถวายพระอาจารย์ที่จะแตกแจกเป็นเป็นทานนะครับขอให้เราแสดงปราวนาคําว่าสาธุประจามพร้อมกันนะครับสาธุนะครับสาธุสาธุ นะครับก็อันนี้ไซจิงไซจิงที่อย่างไซจิงนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวใครประสงค์เท่าไหร่นะครับก็ที่จะร่วมการทำพิมพิมหนังสือถวายนะครับเป็นทานอันสูงกว่าที่เราจะมอบกับธรรมดาทั่วไปนะครับก็ก็คิดว่าเราคงจะมาร่วมกันตั้งจิตตรงนี้ขึ้นมานะครับก่อนที่จะจะจะจะจบวันนี้นะครับ เ, เพื่อเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามาฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากจะนิ ม, มนต์ท่านอาจารย์นำพวกเรานั่งสมาธิสักห้านาที uh huh. นะครับหลังจากนั้นจบแล้วก็เดินไปรับห <c oughs> นังสือจากพระอาจารย์นะครับ uh huh. เพื่อเก็บเป็นที่ระ uh huh. ลึกกาบรัฐนาครับผมพ uh huh. uh huh. ระศาสดาก็ ขัดสอนการนั่งสมาธิในเรื่องของอาณาปนานสตินะอาณาปนานสตินั้นมีวิธีอย่างไรพระองค์ไล่เลียงตั้งแต่ว่าภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทาความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลังงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลังงับอยู่หายใจออก ให้พวกเรารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออก <c oughs> <c oughs> รัธธตตากตตัดเตือนไว้ว่าอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปน <c oughs> เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้เธอจับพอดี ดังนั้นเมือนเรานั่งเป็นสบายๆนะปล่อยลมหายใจเป็นธรรมชาติเพียงแต่เอาจิตที่มันคิดฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆเนี่ยกลับมารู้สึกลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกเฉยๆนะอีกสุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย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 ไม่มีสัมปชัชญะญเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเผากิเลสมีสัมปชัชญะญมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายอ า, าณาปานาสติอันบุคคลเจริญ กระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคือพระอารหันต์หรือพระอนาคามีผุ้คลทั้งจิตของเราเคลื่อนออกจาลมหายใจให้ละนันทิคือความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินอย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นไปเพราะอํานาจของความเพลินความเพลินใดความเพลินนั้นคือ ปาาทนให้เราตั้งจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจของเราเหมือนเดิมขอนอกจากสมาธิก็ให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรณ์5หรืออกุศลทั้งหลายแล้วให้เธอทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิที่1ทิที่2ทิที่3ทิที่4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องกว้างด้วยจิตที่ไม่มีเวท ไม่มีพยาบาทประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสีทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจตวิมุตรก็เหมือนกันฉันนั้นจากนั้นก็ค่อยๆอ อ, ออกจากสมาธิมาหนังสือที่จะแจกมีแก่กรรมกสดาบันนะจะได้ไปดู ตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองได้นะ